สินไปแล้วตั้งใจฟังธรรมสินธรรมเป็นหัวใจของเราดีเยีย่ย <c> ม <oughs> ให้นั่งภาวนาฟังเทศนะให้นั่งภาวนาฟังนั่งตามสบายนั่งยังไงที่สบายที่สุดเรานั่งตามสบายเรานั่งตามสบายครูบาอาจารย์ท่านให้เอาประโยชน์ในขณะที่นั่งฟัง นั่งฟังแล้วก็ภาวนาไปด้วยเอาอารมณ์คำว่าพุทธโธพุทธโธเป็นฉากหน้าเอาเสียงเทศเสียงธรรมเป็นฉากหลังหมายว่าเราต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจทำงานของตัวเองแต่หูเรายังได้ยินอยู่เพาเพื่อเนื้อหาของอัดรรมมันไปสัมผัสแล้วจิตของเรามันเกาะแล้วก็พิจารณาตามใครครวนตาม ตามเนื้อหาของอัจของธ ร, รเราก็เราก็พิจารณาตามได้ใครครวรตามได้แต่รู้สึกว่ามันจะเลือนลางจางไปดึงเข้ามาอยู่กับคว่ า, าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นการกระตุกจิตของตัวเองให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันน่ะเนื้อหาของอัรรมที่จิตของเราไปเกาะก็จะตกค้างอยู่ในหัวใจของเราดีกว่าเราฟังสักแต่ว่าฟังแล้วก็ส่งใจล่องลอยไปที่อื่น การที่เราตั้งใจภาวนามันเป็นการตั้งใจให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสียงก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันมันจะต้องเข้าไปกระทบหูเนื้อหาของอัดธรรมก็จะต้องตกค้างคางว่าเนื้อหาของอนะัดธรรมคือความหมายของธรรมอย่าลืมว่าความหมายของธรรมเนี่ยมันจะไปสัมผัสหูของเราเนี่ยต่างคนต่างมีความนึกคิดมีความรู้มีความเข้าใจจะไม่เท่ากันตามภูมิ ของสติของปัญญาของใครของของใครของเราบางคนถนัดมากฟังธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละเข้าใจมากรู้ทะลุโปร่งรู้เข้าใจรู้ทั่วถึงบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจก็จะค่อยๆขยับเข้าไปขยับเข้าไปเพราะฉะนั้นธรรมะภาคภาคป ฏ, ฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แสดงโดยเฉพาะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านท่านแสดงให้พวกเราฟัง เราฟังซ้าๆฟังอยู่นั่นแหละฟังบ่อยครั้งฟังซ้ำๆซ้ำๆซ้ำ ๆ, ำๆเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้าใจจนถึงจนถึงขั้นว่าเกาะติดคําพูดของท่านทุกคําเลยเนื้อหาสาระคือจิตมันเกาะเพราะจิตมันเกาะนั่นแะแสดงว่ามันอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเนื้อหาของอัตถิธรรมก็จะตกค้างอยู่ในหัวใจของเราขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเอาศีลเอาธรรมเป็นหัวใจ เอาสินของทำเอาสินเอาทำเป็นเดิมพันมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มเกินคุ้มสมม่าเราเกิดมาในโลกนี้เราถือว่าเรามาค้าขายการเอาสินทำมาค้าขายในหัวใจของเรานะคุ้มเกินคุ้มกำไรเกินกำไร ขายได้ถึงขั้นดิบ ด, ดีเต็มที่เป็นเศรษฐีได้เป็นมหาเศรษฐีได้อัดรมนับตั้งแต่เราเริ่มตั้งใจรักษาศีลเริ่มตั้งใจประพฤติธรรมเริ่มตั้งใจปฏิบัติธรรมจะเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยจากไม่ค่อยจะกล้าให้ทานเท่าไรนักแต่พอเรามาตั้งใจรักษาศีลมาตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้เรามีความกล้าคือจิตใจของเราเนี่ยมันกล้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้น <c oughs> พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องหน้าโมแหละฮะเอาเนื้อหาข้างในไปเป็นข้อกำกับใจเขาแล้วกัน <c oughs> พวกเราทั้งหลายก็ถือว่านอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยกันทุกคนแหละแม้แต่ผู้ที่กําลังพูดธรรมะนี่ก็ถือว่านอบน้อมจนไม่มีอะไรจะนอบน้อมเลยสุดขีดจ ส, ส, สุดแดนแหล ะ, <c oughs> ะ <c oughs> เราไม่ต้อง เปล่าคํานอบน้อมนโมตัสสะก็ได้แหละเราถือว่าเราพูดด้วยความนอบน้อมสิ่งที่หวังใจอย่างยิ่งก็คืออยากให้พวกเราได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจเพื่อที่จะเอาความรู้ความเข้าใจอของธรรมะเหล่านี้ไปประพฤติไปปฏิบัติหรืออย่างน้อยๆเราได้ตั้งใจอย่างยิ่งตั้งใจฟังธรรมตั้งใจฟังธรรม ฟังธรรมของตัวเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธอันนี้ก็เป็นการฟังธรรมถ้าหากมันจิตของเรามาเกาะอยู่กับเนื้อหาของอัจของธรรมเราก็พิจารณาตามไปไข้ครวนตามไปมันเป็นเหตุให้เราเข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมเพื่อจะได้เข้าใจธรรมะเหล่านั้นนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ความอิ่มอกอิ่มใจได้ไ ด, ไ ด, ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจ ได้รับความปลื้มปีติได้รับความอิ่มอกอิ่มใจเนื่องจากบริษัทเวริน่าดรหมูนี่แหละจำชื่อจริงยากเหลือเกินดรหมูกับท่านคุณผู้หญิงนี่แหละเป็นประธานใหญ่เป็นผู้นำทั้งงานข้างนอก แล้วก็เป็นผู้นําทั้งงาน ข, างข้างในของพวกเราพวกเราทั้งหลายมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดูมันจะจัดขึ้นทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งอ า, อาจจะเดือนละสองครั้งมั้งนะเป็นโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้มาประกอบกิจกรรมตรงนี้มีโอกาสมา เจริญพระพุทธมนต์มีโอกาสมาทำบัดมีโอกาสมาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระพาหุงสหัตที่เราพวกเราสวดจบลงไปแล้วนั้นอย่าลืมว่าการสวดนั้นมันเป็นการสาธยายธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีมันเป็นการเอาใจของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบเพราะอะไรเพราะภาษาที่ท่านมาร้อยกรอง แล้วก็มาพิมพ์เป็นหนังสือเอาไว้นั่นเป็นเป็นความจํากัดอยู่ในนั้นเราว่าผิดก็คือผิดเราว่าไปตามนั้นเราว่าไม่ผิดก็คือเราว่าถูกมันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นระเบียบเราพิจารณาดูไปตามนั้นแก็ได้ได้ความนั้นแต่ถ้าหากเราไปดูเนื้อหาของอัด ร, รมที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยแล้วเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้นนับตั้งแต่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าออสัมพุทธะขอนอบน้อมแก่แ ด, ด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านอบน้อมก็คือมันนอบน้อมเอาหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่เรามาทํานี้มันพร้อมกันหมดน ะ, ะการที่เรากราบเราไหว้เป็นกิริยาที่งามลูปผู้เขียนท่านว่าเป็นกิริยาที่งามเราจําไม่ลืมนะท่านใช้คํานี้เนี่ย การกราบการไหว้มันเป็นการนอกน้อมมันเป็นกิริยาที่งามกายงามเห็นไหมกายกรรมของเรางามงามตรงนี้แหละงามตอนนี้แหละนะไวจีกรรมของเราก็งามเพราะอะไรเราไม่ได้อาไปพูดเรื่องโลกเรื่องสองสารที่ไหนเป็นเหตุใดกระทบกระแทกแดกดันเป็นเหตุใดคนต้องเดือดร้อนเพราะคําพูดของเราเราเอาคําพูดของเรามากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมและคุณของประสงค์ในขณะเดียวกันจิตของเราก็เป็นระเบียบเพราะอ่านไปตา ม, ตามคําที่ท่านร้อยกรองเอาไว้ที่ท่านเรียบเรียงเอาไว้มันเป็นการเอาจิตของเรามาใช้อย่างเป็นประโยชน์นี่เป็นการหัดชัดหัดใช้จิตจะลืมว่าการหัดใช้จิตสุดยอดของการหัดใช้จิตก็คือการภาวนาการภาวนาเป็นการหัดใช้จิตเป็นการใช้จิตโดยตรงเลยเลยอันนั้น ทำงานของจิตโดยเฉพาะเป็นกา ร, การทํางานของจิตโดยตรงการสวดมนต์การภาวนาเป็นการหัดใช้จิตการสวดมนต์เป็นการหัดใช้จิตทํ า, า, าห ใ, ทให้เราได้วาจางามนะคำพูดของเราเป็นคําพูดที่งามเป็นเหตุให้เราจําได้เป็นเหตุให้เราได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติสิ่งที่บ่งบอกถึงกายงามถึงวาจางามก็คือใจนะั่นแหละใจของเราก็พลอยงามไปด้วยในขณะเดียวกัน ได้รับความสงบจากการที่เราต้องมาตรองตามคำสวดเหล่านี้ใจของเราพลอยได้รับความสงบด้วยพลอยได้ปัญญาไปในขณะเดียวกันด้วยเป็นการพัฒนาจิตของเราไปในขณะเดียวกันนี่ตันเรียกว่าพัฒนาจิตพัฒนาจิตพัฒนาจิตอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาจิตตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าไม่ใช่ว่าเราไปไปปรับไปปรุงอย่างนูน้นอย่างนี้นอกเรื่องนอกราว พูดถึงการพัฒนาจิตมันไม่มีวิธีการใดที่จะเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเริ่มพัฒนามาตั้งแต่นูน่นสอนให้เราพวกเราให้ทานขยับเข้ามาให้พวกเราตั้งใจรักษาศีลที่ท่านเรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักใหญ่เป็นหลักที่เราควรจะพัฒนาการพัฒนาตามหลักของศีลเป็นเหตุให้กายของเรางาม เป็นเหตุให้วายจาร่องเรางามงามอันนี้คืองามโดยศิลงามที่เราพูดถึงเมื่อกี้เมื่อ่กี้นั้นเป็นการงามด้วยกิริยาที่นอบน้อมที่เรียกว่ากายงามคือเอากายของเรามากราบมาไหว้เอาวายจาร่างเรามามาสวดก็เป็นเหตุให้วายจาร่งเรางามมีกายงามวาจายงามพูดมาถึงขั้นระดับศิลกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมน กายกรรมก็คือทําให้กายกายของเรางามกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทัพท์ทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนะี่วาจาไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอเจอจิตของเราไม่นึกคิดออกนอกลูน่นอกทางไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกเห็นตรงตามทํานองครองธทำด้วยมีสติด้วยความมีปัญญาบุคคลคนนั้นจึงสามารถ จะสแสวงหาสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เ <c oughs> นี่ยเราพูดไปก็ไม่เกินหลักที่จะเอามาพัฒนาทางด้านจิตใจของเราจะเริ่มพัฒนาไปตั้งแต่ศีลทําไมเราต้องจําเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องศีลศีลเราจําเป็นจะต้องพัฒนาเพราะศีลมันเกี่ยวข้องกับกายกิริยาของกายที่เป็นธรรมก็คือกิริยาที่เป็นศีลกิริยาวาจาคือของคําพูดที่เป็นธรรมก็คือ เป็นกิริยาที่เป็นศีลไม่พูดเท็จนะในศีลกรรมรบทท่านพูดถึงไม่พูดยาไม่พูดซอเสียไม่พูดเพลเยอร์ไม่พูดเหลวไหลตลกขนองในเรื่องที่หยาบคายไปอย่างอื่นนี่ท่านเรียกว่าเป็นเหตุทําให้เรามีกายงามมีวิจางงามศีลท่านว่าปกติปกติก็คือทําให้กายของเราเป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดในกาม เ, เป็นเหตุทำให้กายของเราปกติสินท่านเรียก ว, ว่าปกติคือกรรมของเรานะเป็นกรรมที่กระทำเป็นปกติไม่เป็นเหตุให้เกิดถ้าหากยือเราตั้งใจรักษาด้วยแล้วทำให้เรามีความเป็นปกติเป็นกายกรรมที่งามเป็นวจีกรรมที่งามก็ามาจากมโนกรรมที่งามนั่นเองสินนั้นถ้าเราจะพูดในแง่ของธรรม ในแง่ก็ถามศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลอันนี้เราพยายามเน้นอยู่เรื่อยๆเน้นอยู่บ่อยๆอะไรก็ศีลอะไรก็ศีลอะไรก็ศีลศีลผูกพันกับธรรมเพราะฉะนั้นหลักของจริยธรรมทั้งหมดไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปจากนี้หลักจริยธรรมพวกเราเน้นแล้วเกินหลักจริยธรรมหรือธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลบางคนพูดถึงแต่ธรรมาพิบาลพูดถึงแต่สันติภาพพูดถึงแต่ธรรมจริยา แต่ไม่เคยพูดถึงสินห้าเลยเราฟังดูเขาเถียงกันเขาพูดกันในสภาน่ะพูดถึงแต่ไม่คอรับชั่นอย่างนั้นไม่คอรับชั่นอย่างนี้เป็นเหตุอย่างนั้นเป็นเหตุอย่างนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องสินห้าเลยเพราะสินห้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นต่อเป็นหลักของจิตแท้ถ้าใครทิ้งตรงนี้แล้วไม่มีหลักหลักลอยหลักลอยไม่เข้าถึงเหตุถึงผลถึงต้นต่อของจริยธรรมอย่างแท้จริง คนที่ยึดมั่นในศีลเนี่ยนะสังคมใดสมมติใสังคมเราแค่นี้เนี่ยตั้งใจรักษาศีลให้ดีเนี่ยจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะตามมากายก็จะเป็นปกติวาจา ก, ก็จะเป็นปกติมาจากจิตที่เป็นปกติตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเวน้นเนี่ยทาให้จริยธรรมของเรามีหลักมีเกณฑ์ไปจากตรงนี้ทีนี้เราจะ มีศีลแนบแน่นมั่นคงได้เราก็จะต้องตั้งใจภาวนาด้วยเพราะศีลเกื้อกูลกับภาวนาภาวนาเกื้อกูลกับศีลภาวนาเกื้อกูลกับจริยธรรมจริยธรรมเกื้อกูลกับการรักษาศีลกับการภาวนาถ้าหากเราตั้งใจพูดถึงแต่เรื่องจริยธรรมอย่างเดียวเราไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรายังไม่เจาะลึกเข้าไปถึงต้นตอของหลัก จริยธรรมอย่างแท้จริงเราตล่อมมาตรงนี้เราได้ประโยชน์หมดทุกอย่างเราได้ประโยชน์หมดทุกอย่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทั้งทางหลักอริยธรรมที่เราจะขยับเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆสูงสุดจนถึงวิมุตติหลุดพ้นในวัฏสงสารไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่ส่วงวางไว้อย่างนี้เองเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนี้ แล้วเราจะเริ่มมีหลักมีฐานมีกฎมีเกณฑ์ในหัวใจของเราสังคมของเราเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุที่ไม่มีจริยธรรมนั่นเองคอร์รัปชันมันจึงระบาดเต็มบ้านเต็มเมืองไปจากจากสังคมกลุ่มเล็กๆน้อยๆย่อยๆนี่แหละจากสังคมเล็กๆน้อยๆย่อยๆนี่สรุปมาที่ตัวคนสรุปมาที่ตัวบุคคลเหมือนเราพูดถึงสันติภาพสันติภาพสันติภาวะคือภาวะแห่งความสงบ สันภาวะแห่งความสงบมาจากไหนถ้าคนไม่สงบถ้าคนไม่สงบคนก่อกวนวุ่นวายความก่อกวนวุ่นวายจะทําให้มีความสงบได้อย่างไรพูดถึงที่เรื่องสันติภาพโลกสันติภาพโลกแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วมันจะเอาอะไรมาสงบใจของคนแม้คนเดียวไม่เคยมีความสงบไม่เคยเจาะลึกเข้าไปข้างในจิตใจไม่เคยได้รับความสงบจะเอาสันติภาพมาให้กับโลกได้อย่างไร จะเอาหลักจริยธรรมหลักของศีลของธรรมจะเอาธรร ม, มาภิบาลเอามาจากไหนไม่มีที่จะเอาถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงโดยหลักการโดยวิชาการทั่วๆไปก็ตามแต่ด้วยเหตุที่ใจของเรามันเจาะลึกเข้าไปไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่มันจะโยกจะคลอนหรือจะคลอนแคลนมันง่ายมากปากก็ว่าแต่ปา ก, กว่าไปตามศีลตามธรรมแต่ใจมันก็ มันออกนอกแนวเขมันเพราะไม่เคยไปกำกับที่ใจท่านจึงให้ตั้งใจรักษาศีลอย่างศีลห้าเนี่ยมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งธรรมนะถ้าเราล่วงละเมิดข้อหนึ่งเราเรารักเราฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นพอเราทำลงไปแล้วเราล่วงไปแล้วมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันเราลักของเขาไปแล้วมันเป็นทั้งเวรทั้งภัยทั้งบาปทั้งกรรม ทั้งศีลก็ขาดประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาก็เช่นเดียวกันเราทําลงไปแล้วมันศีลมันก็ขาดมันเป็นทั้งเวรทั้งภัยทั้งบาปทั้งกรรมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเราลักของเขาเขาก็ลักของเราเราประพฤติผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเขาก็ประพฤติผิดลูกเราผัวเราเมียเรานี่มันมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมนั forums, blues, ้นมันเป็นการลงทุนลงรอนสร้างเหตุเพราะฉะนั้นผลของกรรมจะต้องมาสนอง แม้จะหลบไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรก็ไม่พ้นกรรมมันไปได้ยังไงลบไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรก็ไม่พ้นเวรมันไม่พ้นไผ่ไม่พ้นกรรมมันทําไมมันไปได้ยังไงกรรมเพราะมันไปกับใจของเรานั่นเองนั่นแนหะต้นตอของกรรมนั่นแหละมหาเหตุมหาเหตุคือใจของเราเนะี่ยหลบไปอยู่ที่ไหนมันจะพน้นประยู่เทวดาสวรรค์ชั้นไหนมันจะพน้นมันไม่พน้นแหละ แม้จะลบประโยชน์ใต้บาดาลที่ไหนมันก hmm, oh, ็ไม like ่พ <sh arc astic manera> ้นเพราะมันใจกับมันไปกับใจเห็นไหมเวรไภเวรไภเป็นบาเป็นกรรมพูดเทศพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดโค้ชเชอก็เช่นเดียวกันใครลองใช้กิริยาอย่างนั้นแล้วก็เอาอ้างอ้างคําพูดเอยเราพูดไปอย่างนั้นเองแต่เราใจดีใจดีเราพูดไปอย่างนั้นเองหากหาก เป็นการพูดกระทบกระแทกบ้างอะไรบ้างพูดกระโชกกระจกกระกรกระกระกระกระกบะกระกระกระกบะกระกระกระกระกระกระกระกระกระกระกระกระกรากระกระ้ร ะ, ระกระกระกระกระกระกระกระกระนระกระกระเราาืกระกรกระกรจกระกระกระ่ระกระกระกระกระกระกระกรกระกระกระกระกระกระกระกระาระกระกระกระกรระกระกระกระกร เขาตราหน้าไว้แล้วนี่คือกรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังกํากับกิริยากายที่กิเลสหยาบหยาบมาแสดงมาที่กายกิเลสห ย, ยาบหยแสดงมาที่วายจาวีติกะมะกิเลสกิเลส ท, ที่จะก้าวล่วงทางกายก้าวล่วงทางวายจาท่านจึงให้ระมัดระวังการที่เราปราบกิเลสกิริยาทางกายทางวายจาท่านจึงให้เอาศีลมาปราบเอาศีลมากํากับเพราะศีลเลย ทำเอ่ยมาด้วยกันทำห้าสินห้ามาด้วยกั น, าา น, า ม, ากนมาตรงนี้มาอย่างนี้แล้วก็เป็นต้นต่อที่จะทําเป็นเหตุให้เราสํารวมระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดความสงบของของกายของเราของวายจารของเราของใจของเราเป็นเหตุให้เกิดสันติสันติภาพนับตั้งแต่ตัวเราครอบครัวของเราวงงานของเราสังคมบ้านตําบลหมู่บ้านอําเภอ จังหวัดแล้วรวมไปถึงประเทศแล้วรวมไปถึงโลกเกิดขึ้นจากความสงบที่เรามีศีลนี้เองเกิริยาหยาบหยาบของกิเลสแสดงออกมาไม่ได้สมมติคนที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อชําระเพื่อชะเพื่อล้างเิเลตจะยึดศีลอย่างเหนียวแน่นมั่นคงตั้งใจรักษาศีลจนเป็นอธิศีลคําว่าอธิศีลหมายความว่าสามารถเอาชีวิตแลกได้ถึงขั้นนั้น เ, นเป็นอธิศีลเอาชีวิตแลกได้ ยอมตายดีกว่าสินขาดยอมตายดีกว่าสินขาดเพื่อไม่ไม่สามารถจะก้าวล่วงสินเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเคยเล่านั่นแหละพระท่านไปฉันที่บ้านนายช่างมณีการนั่นแหละท่านไปเห็นนกกระเรียนมันมันกลืนแก้วแก้วนั้นเป็นแก้วของพระราชาพอดี น, นายช่างเจรไนแก้วนี่ยกำลังทำโรงครัวอยูอ่เขาเอาแก้วไปให้เจรไนเป็นแก้วมณีของพระราชา เอามือที่เปื่อนๆเลือดนะไปจับแก้วจับแล้วไปวางไว้ที่หนึ่งในบ้านนั้นเลี้ยงนกกระเรียนนกกระเรียนมันก็เดินเพ่นพ่านหากินอยู่ในครัวโอ้เลี้ยงเลี้ยงนกยางเชื่องเลยทีเดียวเลยแหละนกมันเห็นเลือดเปื้อนแก้วมณีมันก็ไปกลืนแก้วมณีนั้นแหะพระท่านเข้าไปก่อนเวลาแล้วก็ไปเห็นเนี่ยท่านนั่ง ด, ดูแล้วท่านเห็นโอ้นกกลืนแก้วมณีไปแล้วอตอนนั้นนี่ยในช่างก็หมดจะเข้าไปในห้องพอออกมาไม่เห็นแก้วมณี ไม่เห็นแก้วมณีอ้าวถามใครก็ไม่รู้จักถามใครไม่ถามพระพระท่านกระเฉยท่านไม่บอกเพราะถ้าท่านบอกแล้วเนี่ยเขาจะไปฆ่านกแน่นี่เห็นไหมนี่คือรักสีลยิ่งคอยชีวิตถ้าท่านบอกแล้วเขาก็จะไปฆ่านกท่านก็สงวนรักษาชีวิตของนกแล้วก็เท่ากับชีวิตของท่านเท่ากับการระมัดระวังรักษาสินเียถามยังไงท่านก็ไม่ยอมรับถามยังไงท่านก็ไม่ยอมรับแต่ไปบอกเมียว่า พระ อ, องค์นี้เอาเมียก็ไม่ยอมเชื่อโอ้ยท่านไม่เอาท่านไม่มีนิสัยอย่างนั้นท่านพลพ้ลวิสัยอย่างนั้นไปแล้วท่านไม่เอาพระก็เป็นพระอรหันต์เช่ด้วยนะเป็นพระอรหรันต์นี่การไปฉันในัยบา น, ม, นมันเป็นโทษอยู่อย่างนี้เลยไปเห็นอะไรไม่ดีไม่งามมันมันก็เลยเป็นโทษมาถึงท่านในสุดก็เลยในช่างคนนั้นน่ะจะมาทําอันตรายพระมา บ, บีบบังคับให้ฉันยอมรับท่านก็ไม่ยอมรับเอาเชือกมาพันศีรษะของท่านเลยก็มนุนรัด เข้ารัดเข้ารัดเข้าให้ท่านรับท่านก็ไม่รับเอาจนเลือดท่านทะลักออกเงี้ยเอาเลือดท่านทะักออกออกทางไหนก็ไม่ทราบนะออกทางปากหรือทางศีรษะทางผิวหนังแตกขาดหรือยังไงก็ไม่ทราบว่าเลือดท่านทะลักออกมาน่าจะออกจากปากนั่นแหละออกจากหูนี่ น, นกกรเรียนมันก็ยังเพ่นพ่านอยู่นั่นแหละมันเห็นเลือดทะลักออกมามันก็ไปจิกกินเลือดนั่นกินเลือดของพระเทศเราเนะี่ย โอ้ในช่างคนนี้กําลังมโมโหเตะนกกระเรียนน่ยกลิ้งเตะครั้งเดียวนี่กลิ้งไปสลบตายไปเลยว่างั้นน่ะทีนี้ท่านเห็นก็เตะนกนกกระเรีย น, ก, น ก, ก, ยกลิ้งไปอย่างนั้นท่านถามว่านกตายหรือยังนกตายหรือยัง <c oughs> ถ้ า, ถ, าถ้าท่านจะบอกตอนที่นกยังไม่ตายกลัวเขาจะไปซ้ำอีกกลัวนกจะตายท่านก็ไม่พ้นด่างพรอยเรื่องศีลนะเห็นไหมนี่คือผู้ที่มีอธิศีลเป็นผู้มีมี ความหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องศีลถึงขนาดนั้นนะพอเขาบอกว่านกกระเรียนตายแล้วท่านก็เลยบอกว่านกกระเรียนของคุณนั่นแหละมันกินแก้วมันกลืนแก้วมันีนะแก้วมนันีที่คุณวางเอาไว้เนี่ยนกกระเรียนแหะมันมันกินนะถ้านกกระเรียนตายแล้วตมาถึงกล้าบอกพอว่าอย่างนั้นเองเ่ยเมียได้ยินกับร้องไห้เลยลเลยร้องไห้หลยนายช่างก็นั่งร้องไห้โขกเลยขอเข้ามาลาโทษท่านท่านบอกว่านี้เป็นภัยของวัตต์ วัตตสงสารนี่เป็นวัตตะสงสารที่ เ, เต็มไปด้วยไปด้วยเวรเต็มไปด้วยภัยไอเวรภัยเหล่านี้เราทราบไปได้แนหะบางครั้งไอคนที่ไม่รู้ศีสานี่เป็นได้รับกิริยาด้วยกายด้วยวัยจ่าของเราข้างเดียวเขาก็ไปถือโกรธถือโทษถือพยาบาทอาฆาตอยู่ข้างเดียวทั้งที่เราไม่รู้เหมือนวัยนี้พวกเราได้ยินเขาฆ่าพระนะนะพระนะบางทีท่านอาจจะไม่รู้คนที่อาฆาตพยาบาทว่าท่านผิดด้วยเรื่องใะไโดยซ้ําไป ก็ถูกฆ่าไปตายไปเฉยๆหาสาเหตุเหตุผลต้นปลายอะไรไม่ได้เหมือนอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านะ่ะจองเวีกันนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่ เ, เคยจองเวีตอบเลยพระเทวทัตจองเวียนข้างเดียวเจ้ากํานายเวีนี่ก็จองข้างเดียวมันก็เป็นเลีนงานทำทำความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะอ่าบางทีตายเพราะคนเข้าใจผิดจองเวีพยาบาทเนี่ยเข้าใจผิดจองเวีพยาบาทฆ่าตายก็ตายเฉย ๆ, ๆนี่เห็นไหม โลกนี้เป็นโลกเวรโรคภัยเป็นโรคบาปโรค ก, กรรมเป็นโรคทุกข์เกิดในโลกนี้คือกองทุกข์คนไม่รู้จักเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีที่หลบไม่มีที่หลบหาความสุขให้กับหัวใจของเรามีแต่ความร่ํารรอ่ราร้อนเราจะเห็นความสําคัญของพระพุทธเจ้าท่านเมตตาต่อสัตว์โลกหลังจากท่านมีพระสาวกหกสิบเอ็ดองรวมทั้งพระองค์เธอทั้งหลายจงแยกย้ายกันไป ทิศละแห่งละแห่งละแห่งแห่งละองคแห่งละองคแห่งละองค์ที่ละองค์ที่ละองค์ที่ละองค์รีบเอาธรรมะเนี่ยไปแสดงให้มนุษย์ทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะได้เอาธรรมะเหล่านี้ไปซึ่งเปรียบเสมือนน้ําไประงับดับไฟในหัวใจของเขาแม้แต่เราก็จะไปพระองค์ก็จากป่าอิสิปัตนะมรุกขายาวันไปที่แควราชคฤห์ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ไปทรมานเดินสามพี่น้องนะ่ะกัสปะกัสปะสามสามพี่น้องนะ่ะ อ, อุรุเวลกัสปะพี่ชายนาทีกัสปะคนกลางานาทีกัสปะขยากัสปะอะอุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะนาทีนทีกัสปะขยากัสปะหรือเปล่าโอ้ชักิืมลืมซะแล้วนะ สพี่น้องเนี่ยต่างคนต่างมีบริวารพี่ชายบริวารห้าคนกลางบริวาร300คนน้องบริวารสองพุทธเจ้าท่านก็ไปทรมานจ น, จนได้ได้ได้อุโรหิลักรรษสัปะมาบวชรวมทั้งบริษัทบริวารทั้งน้องชายทั้งสองคนจนมีความเลื่อมใสศรัทธาไปทรมานด้วยอุบายวิถีด้วยฤทธิ์ด้ว ย, ดวยเดช ด, ด้วยอภิน ญ, ญาอย่างยิ่งเป็นการทดสอบ เป็นการเอาตปะธรรมเนี่ยไปเผาลนจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มแปรเต็มดวงแนดินเหล่านั้นเนี่ยบูยชาไฟชนดินเหล่านั้นบูชาไฟหลังจากชนดินเหล่านั้น เ, นเห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วก็ยอมสีโรราบเต็มที่แล้วก็ยอมกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิเดชอะไรให้เป็นที่ปรากฏเขาก็พูดได้คําเดียวว่าโอ้พระมหาพระมหาสมณะเนี่ยมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอนุภาพมาก แต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอาหารหันเราจะได้รู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคำว่าอาหารหันเนี่ยเรื่องลือไปหมดใครๆก็สแสวงหาความเปลี่ยนพระอาหารหันจึงเป็นเหตุให้มีเจ้าลทัทธิทั้งหลายทั้งปวงมากมายมหาศาลในในยุคนั้นในสมัยนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พอเวลาจะได้ที่พระพุทธเจ้าก็เล็งไปที่จิตของอุโรวลักษะนะัสป่าว่าเขายอมพระองค์เต็มร้อยแล้วพระองค์ก็ได้ช่องพระองค์ก็ตรัสกัสปะเธอ สำคัญตนว่าเป็นพระอาหารหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์เธอก็อยังไม่รู้จักรู้ลักษปะเลยหัวเขายู่อ่อนกราบป ล, กป ล, กปลกอกปลอกปลอกแล้วขอบวชน้องน้องชายคนที่สองก็พาบริษัทบริวารมาขอบวชน้องชายคนที่สาพาบริษัทบริวารมาขอบวชเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าพาไปที่ขยาศีสะประวัติต้นน้ําขยาต้นน้ําขยาขยาศีสะประเทศ ไปแสดงอาธิตะปริยายะสูตรเพราะอะไรก็เพราะชนดินเหล่านั้นบูชาไฟบูชาไฟพะพุทธเจ้าก็เลยทรงแสดงอาธิตะปริยายะสูตรทรงแสดงถึงตาทรงแสดงถึงอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกตาก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนอวิญญาณที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูป จกักขวิญญาณก็เป็นของร้อนโสตะวิญญาณขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณาญญแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นของร้อนภัสสะก็เป็นของร้อนเวทนาก็เป็นของร้อนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของร้อนทั้งหมดทำไมสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปกระทบให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายร้อนเพราะไฟ ราคะร้อนเพราะไฟโทสะร้อนเพราะไฟโมหะราคะคินาโทสะคินาโมหคินานี่คือกิริยาอาการของความร้อนอพุทธิยถาท่านทรงแสดงด้วยข้อเปรียบเทียบเหล่านี้ชะดินเหล่านั้นพิจารณาตามไปตามนั้นย้อนมาที่จิตของตัวเองพิจารณาตามนั้นพอแสดงจบบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่เราพูดเราพูดถึงความสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านให้ท่านเห็น ให้ความเมตตากับพระสงฆ์สาวกให้ความเมตตากับคนทั้งหลายทั้งปวงเราพูดถึงคนมีศีลไม่กล้าทำลายศีลเหมือนอย่างที่พระอาหารหันต์ท่านเห็นนกกระเรียนกลืนแก้ว น, นั่นเองอโลกนี้เป็นไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, <c oughs> ไม่ไม่ใช่โทษของคุณไม่ใช่โทษของอาตมามันเป็นโทษของวัฏฏะท่านบอกว่าโทษของวัฏฏะ เข้ามาวัฏตะก็คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือโทษของวัฏฏะเพราะฉะนั้นใครประสบความทุกข์ยากลําลบากอะไรเราไม่ต้องสงสัยแหละนี่แหละคือโทษของวัฏฏะโทษโทษของวัฏฏะวัฏฏะอย่างแท้จริงเราจําเป็นจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ อ, อย่าลืมสินลืมทำอย่าทิ้งสินทิ้งทมเพราะอันนี้เป็นรากเป็นเงาวเป็นต้นต่อที่จะสะท้อนให้เราเห็นเหตุเห็ น, ห น, หนปัจจัยอย่างแท้จริง ว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้อันนี้เป็นเหตุแห่งแห่งสุขอย่างนี้แล้วก็เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นนี่เราพูดถึงอธิสินคือคือสินยิ่งเอาสินรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตกิเลสมันดิดดิ้นมาที่กายที่วาจาไม่ได้มันก็ดิดดิ้นอยู่ที่ใจทำไมใจอยู่ไม่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขใจหิวหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหินสัมผัสหิวสัมผัส หิวนูน้นหิวนี้หิวคิดปรุงอยู่เรื่อยอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพราะมันมีตัวกิเลสตัณหายอยู่ในนั้นพระเจ้าท่านจึงจึงให้ทำสมถะสินสมาธิปัญญาท่านจึงให้เจริญสมาธิหรือสมถะสินสมาธิปัญญาหรือสมถะวิปัสนาสมถะ ถ, ถ, ถ้าเราจะว่าสมถะก็คือบวกสมถะกับวิปัสนาถ้าเราจะว่าศิน ถ้าเราจะว่าสมาธิคือว่าปัญญาสมาธิกับปัญญาท่านให้ทําจะให้สงบโดยปกติเรามักจะหาความสุขกับอารมณ์เหล่านั้นแหละนั่งนึ่นั่งปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเสร็จแล้วเราก็กลืนน้าลายเอาบางงั้นเถอะ <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสุนัขแทะกระดูกนั่นแหละ แ, ะแทะแทะไปแท ะ, แทะแกระดูกแล้วกลืนเอื้อเข้าไปกลืนแต่น้ํลาลายจะอง กลืนแต่น้ำลายจะของเองแท้ไปแท้ไปแต่กลืนแต่น้ำลายจะของเองนี่แหละพอเรานั่งปรุงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสโพสเป็นมันเป็นการวิ่งตามกิเลสทีนี้วิธีที่จะทําให้ได้รับความสุขได้รับรสชาติของความสุขอย่างแท้จริงอย่างถึงอกถึงใจจะต้องหยุดไม่ต้องวิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสคําว่าหยุดก็คือต้องให้จิตสงบจิตสงบที่เรียกว่าสมถะ สมถะแปล ว, ว่าความสงบแต่ความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนั้นท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิเป็นความสงบที่ชอบในสมาธิเหล่านั้นจะต้องมีสติมีสติมามีสัมปชนนัญโญมีสัมปชัญญะและมีอาตาปีมีความเพียรประคับประคองโงอยู่เฉพาะหน้านั่นน่ะมันเป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ใช่ความไม่ใชส่สมาธิหัวต่อไม่ใช่ความสงบหัวต่อ ไม่ใช่ความสงบเหมือนหินไม่ใช่ความสงบเหมือนต้นไม้เหมือนต่อไม้ assume. เหมือนสิ่งไม่มีวัตถุเหมือนวัตถุไม่มีวิญญาณไม่ใช่ไม่ใช่นิ่งอยู่แบบนั้นความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่พร้อมเพราะในความพร้อมอยู่นั้นน่ะมันมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเราร่ครววให้ดีเราร่ครววให้ดีมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วย เพราะฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเรื่องสมาธิไม่เข้าใจเรื่องความสงบพระรุทธเจ้าท่านสอนให้ทําใจให้ได้รับความสงบท่านไม่ได้จํากัดว่าจะเอาอะไรมาทําเป็นอารมณ์เพื่อจะให้ใจสงบเพียงแต่ท่านบอกว่าความสงบจากนั้นท่านก็เอาอารมณ์มาเป็นพอประมาณมาวางเป็นหลักเกณฑ์ไว้ให้พวกเราเจริญโดยเฉพาะพระองค์เจริญเองก็เจริญอาณาปานสติเราดูซิตั้งแต่สมัยเป็นพระกุมารเจริญอาณาปานสติ จนจิตเข้าถึงความสงบแนบแน่แนมั่นคงมีอภินิหารพะเวลาพระองค์ตั้งใจจะบำเพ็ญเพื่อให้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันเพียงเดือนหกนั้นพระองค์ก็เจราณาปานสติอันนี้เป็นอารมณ์ทำให้จิตได้รับความสงบเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตได้รับความสงบใครถนัดกับอะไรก็ตามที่เอามากำกับเอามาบริกรรมพิจารณาซ้ำๆดูซ้ำๆเช่นอย่างท่านให้พิจารณาถึงอาการ32งี้ เอาอาการ32สองเป็นกรสินเพ่งไปเลยเน่ยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเพราะฉะนั้นพระอุปัชายะท่านจึงเอาไปสอนพระที่เอาไปสอนพระเอาแค่ผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมาณขาทันตาตะโจพอไปถึงตะโจก็ตะโจทันตาณขาโลมาเกสาท่านให้พิจารณากลับไปพิจารณากลับมาพิจารณากลับไปพิจารณากรรบมาเป็นหลักเกณฑ์ที่เอามา มาบวชพระนะอุปชาใดก็ตามต้องเอาหลักเกณฑ์นี่แหละมาบวชพระอันนี้เป็นงานของกรรมฐานเป็นงานข้างในใจของเราทำทำไมทำให้ใจได้รับความสงบทำให้ใจได้รับความสงบเราจะพิจารณาอะไรก็ตามอย่างอาจารย์เยือนท่านสอนให้กลืนกลืนน้ำทานน้ำรับประทานน้ำกลืนน้ำเข้าไปจิตจะได้สงบลิ้งกลืนความสงบเข้าสู่เข้าสู่ทองเลย ลกปูจันเ ร, รมบุรีรัมท่านให้กำหนดดูความยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสน่น ะ, นะวิธีการของไขรของใครก็ตามทายังไงจิตของเราจะได้สงบแนบแน่นมัน่นคงตามจริตตามนิสยัยเดี๋ยวนี้มีคนเอามาพูดว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าพูดเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเอาไว้พุโทโธพุโทโธพรพุษจิยาม่สอนให้ท่อง พุทริยามไม่สอนให้ภาวนาอย่างนั้นนี nee. ่พุทธิเจ้าท่านทรงตรัสไว้เป็นคํากลางๆว่าสมถะสมถะทำให้ใจได้รับความสงบเราจะเอาอารมณ์อะไรก็ตามมาบริกรรมใจได้รับความสงบนั่นแหละถูกพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วเอาใจที่สงบนี่แหละไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะใจที่สงบเป็นใจที่มีกําลังเป็นใจที่มีพลัง เอาใจที่มีพลังนี่นแหละไปพิจารณาให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เอาใจที่สงบไปพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามามันเป็นสัญญาโดวยเฉพาะหลงตาหลงปูเสาหลงปู๋มันหลงตาท่านเน้นเหลือเกินอ่าสงบสงบแล้วก็พิจารณาปรราัญญาสงบแล้วก็ปัญญาเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดคําว่าเดินหมายความว่าเราพิจารณาคลี่คลายทางด้านปาัญญา หยุดหมายความว่าหยุดให้จิตได้รับความสงบเหมือนเราเดินเดินเหนื่อยแล้วก็หยุดหยุดพอหยุดมีแรงแล้วก็เดินก็ไปขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายท่านสอนอย่างนี้เสียแล้วเราก็ไม่สับสนเะด้วยนะเราก็ไม่สับสนบางครั้งเขาสอนให้มีการเจริญมหาสติเนี่ยบางทีเราฟังก็สับสนเหลือเกินแต่เรามาฟังดูวิธีการที่ครูบาอาจารย์เราสอนเนี่ยเราฟังแล้วเราไม่สับสนเอาสงบนะสงบนะ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาจนจิตได้รับความสงบพอสงบไปแล้วมันมีอานุภาพจิตที่สงบเนี่ยมีอานุภาพแต่มันต้องสงบมีสติมีสัมปชัญญะกำกับนะอันนี้เป็นความสงบที่พุทธเจา้าท่านทรงสอนเราดูไปที่อารมณ์ของฌานที่ท่านพูดถึงนั่นแหละวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาใครสามารถดํารงจิตให้อยู่กับกิริยาการทั้งห้านี้ได้ คนนั God, too, an, ้นเข้าถึงปฐมฌานท่านพูดเอาไว้วิตกก็คือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธวิจาร์ก็คือวิพุทโธแล้วก็ตรคาว่าตรองก็คือประคองเป็นวิจาร์วิตกวิจารพุทโธแลประคองประคองจิตของเรานะเอาสตินี่แหละประคองจิตพุทโธพุทโธมันเป็นคำดำริคำดำรินี้มันเป็นคำดำริในปัจจุบันพุทโธแล้วประคองคาว่าพุทโธ ให้จิตเรานิ่งให้จิตเราสงบอยู่กับคําว่าพุทธโธพุทธโธระบตรองเข้าไปวิตกแล้วก็วิจารณ์ทําพอระบตบรองไประบอบไปด้วยเหตุที่จิตของเรามันไม่ดีดดิ้นไปตามอารมณ์สักหน่อยหนึ่งเขาจะได้รับความเ อ, อิบอิ่มอิ่มอารมณ์อารมณ์มที่เราป้อนะเป็นอาหารของเขาเป็นอาหารของธรรมไม่ใช่อาหารของกิเลสเราเอาจิตของเรานึกคิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสไม่มีจุดจบไม่มีที่จบนั่นเป็นอาหารของกิเลส น้องตาท่านว่าเหมือนกับเอาเชื้อไปเสริมไฟยิ่งเอาไปใส่ไปเท่าไร่เชื้อก็ยิ่งไฟก็ยิ่งไม่จดมเมฆนะั่นท่านว่าเพราะอาหารเหล่านั้นมันเป็นอาหารของกิเลสไม่ใช่อาหารของธรรมแต่ถ้าเราใช้สติสัมปชัญญะพิจาน า, นาโดยชอบด้วยความเป็นธรรมเป็นตัวของตัวตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นเรื่องของวิปัสสนาแต่ก็ต้องมีความสงบนี่แหละเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเอาไว้เราจะไม่หลงไปง่ายๆ เราเจริญส ม, มถะพอจิตได้รับความสงบแล้วก็เราพิจารณาทางด้านปัญญาวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาคนนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ของปฐมฌานพอเราบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปเขาอิ่มเขาอิ่มเขาไม่ว่าพุทโธแล้วเขาไม่เขาทิ้งวิตกได้เขาทิ้งวิจารได้ไม่ต้องประคองเพราะมันอิ่มเพราะมันอิ่มแล้วมันจะนิ่งเราฟังอย่างนี้เราทดสอบดูไปที่จิตของเราได้ ใครมีกิริยาอาการเหล่านี้ได้จิตของเราจะเริ่มในรับความสงบจะเป็นการสงบขั้นหนึ่งขั้นสองหรือขั้นสหรือขั้นสี่เราไม่ต้องให้ใครมาบอกเราแหละเราพิจารณาตามนี้เราเข้าใจได้เลยเราพร้อมด้วยวิตกวิจารณ์และก็มีปีติปีติก็คือความอิ่มความเ อ, อิบอิ่มมันอิ่มกายมันอิ่มใจคําว่าอิ่มในที่นี้หมายความว่ามันอิ่มอารมณ์ถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธคิต กเราไม่ไปไหนมันอิ่มมันไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิ่นเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราเอาป้อนเขาจนอิ่มแล้วเนี่ยทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือปีติเ อ, อ่ออิ่มอยู่กับปีติทิ้งคําบริกรรมอ่าทิ้งวิตกทิ้งวิจารเหลือแต่ปีติเหลือแต่ความสุขเอกะกะตากิริยาของจิตยังมีอยู่คือกิริยาปีติกิริยาของความสุขอ่าทุกอย่างอันเกิดขึ้นจาก เอกกาตาคืออารมณ์อันเดียวอันนี้เข้าถึงอารมณ์ของปทมิชาคือชาตที่หนึ่งชาตที่สองท่านบอกว่าชาติที่สองทิ้งปีติทิ้งปีติได้เหลือแต่ความสุขเหลือแต่ความเอิบอิ่มเหลือแต่ความสุขความสุขกับความอิ่มมันมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยแล้วเราก็ไข้ครวนดูก็แล้วกัคคว น, กนแห ล, ล ะ, ะมันทิ้งกิริยา คำว่าปีติบางทีก็ขนลุกขนพองโดดโลดเต้นบางทีก็เหาะก็ะลอยนี่เป็นกิริยาของปีติที่รุนแรงบางทีก็ทราบสั้นเหมือนตัวลอยเหมือนจะเหาะเหมือนจะลอยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นกิริยาการของปีตินะบางทีอาการเหล่านี้หมดไปเหลือแต่ความสุขกับเอกะกะตารู้สึกว่าจิตของเรามีความสุขมีกิริยาของความสุขแต่ก็เกิดขึ้นจากอารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวต้อง ต้องติดแน่ไปตลอดอเมื่อหมดกิริยาของความเอิบอิ่มนีศแสดงว่าเราเข้าถึงอารมณ์อารมณ์ของฌานที่สองฌานที่สามเหลือความสุขกับเอกคตาฌานที่สี่หมดความสุขจิตหมดกิริยาเหลือแต่อุเบกขาอุเบกขาจิตวางเฉยสว่างสวยโลยู่เฉพาะตนสว่างอยู่รู้อยู่ เพาะตนสงบแนบนิ่งอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาตามองค์ฌานเหล่านี้เราก็สามารถถือเป็นประทัดฐานแห่งความสงบของเราได้เป็นประทัดฐานแห่งความสงบของเราได้บางคนชอบออกชอบออกไปรู้นิมิตเห็นนู้นเห็นนี้เห็นอะไรแต่ไรจิตมันนึกคิดเรื่องอะไรก็เห็นเรื่องอ น, นั้นบางทีก็เรื่องเรื่องกังวลบางทีก็ไม่ใช่นิมิต แท้แต่เป็นนิมิตปลอมยิ่งกว่ามีนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันหลองตาท่านว่าคนที่ภาวนาไปแล้วเป็นนิมมงเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าห่างหลักทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์ทิ้งครูบาอาจารย์ท่านท่านว่ า, า, วามันเสี่ยงเหมือนอย่างไม่ขีแก้วที่ลงไปเรียนปฏิบัติธรรมกับหลงุลงปู่มัน่นสมัยที่เป็นสาวสาวเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วท่านเห็นท่านรู้ท่านเห็นอย่างนี้แหละนะทีนี้พอท่านไม่อยู่ ท่านกลัวจะไม่มีคนแก้ท่านก็เลยให้ไม่ชี้แก้หยุดหยุดภาวนาแต่ไม่ชี้แก้วท่านมีนิสัยชอบภาวนาเพราะท่านไม่อยู่ถ้าท่านอยู่ท่านจะได้ช่วยแก้เพราะอะไรมันเสี่ยงจิตที่เป็นแบบนี้มันเป็นเสี่ยงหลวงตาท่านบอกว่าภาวนาแล้วไม่ออกรู้ไม่ออกเห็นแต่เข้ามาในหลักเข้ามาในหลักตามที่พูดนี้จิตจะเริ่มสงบไปโดยลําดับสงบไปโดยลําดับไม่นวลไม่คำว่าจิตไม่เสียงจิตไม่อันตราย จิตไม่เสี่ยงจิตไม่อันตรายแต่ถ้าหากจิตโลดโผนแบบจิตนุบุม่มั่นแบบจิตไม่ฉีแก้วพอเวลาปฏิบัติถูกสามารถมีผลมีานิสงมีผลมีานิสงที่ท่านเรียกว่าสามารถาสามารถาหูทิพตาทิพได้เหนนะหูทิพได้ตาทิพไ ด, นะไ ด, ได้แบบประเภท อภิญญาหกอย่างเงี้ยชละพินโยเนี่ยแบบมีมโนมยิธิอย่างเงี้ยฤทธทางใจยิทธิวิธิแสดงฤทธได้มโนมยิฐิเน่มีฤทธทางใจแล้วก็ระลึกชาติได้ภุเพนิวาสนย า, ยานุสิจาายานภกจตูปปาจียานถึงเลยนั้นไปแล้วก็เป็นอาสวัคคัยานอาสวัค ย, ยานนันหมายนิยมหมายเาว่าถึงขั้นสูงสุดละ เนี่ยจิตที่มีความอัศจรรย์จะไปในแนวแถวนี้ถ้าหากใครทำแล้วก็เป็นเป็นแล้วก็เดินไปอย่างถูกต้องเนี่ยมีผลธรรมเหล่านี้ตอบรับสอนลูกศิษย์ลูกหาสามารถควบคุมได้อะไรได้เป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีสามารถเอามาสอนและได้ผลเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้พวก มิจฉาทิฐิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความยำเกรงเกรงกลัวน่และสมยัยสมัยหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ามีครูบาอาจารย์บางกงเนี่ยท่านออกรู้เห็นจิตคนนั้นเห็นจิตคนนี้ท่านท่านสั่งคำชับกมาอ้าช่วยดูเลยนะใครออกไปที่อื่นออกไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นให้ช่วยบอกด้วยนี่แสดงว่าองค์นั้นท่านรู้รู้จิตขององค์นั้นองค์ น, นี้องค์นี้องค์นั้นอาจจะสอดส่องสุ่มไปเป็นองค์เป็นองค์เป็นองค์ไป ไปเจอนี่คือลกงปู่มัน่นเลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยเคารพแล้วก็ยำเกรงแล้วกเกรงกลัวแล้วก็ตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญภาวนาก็เหมือนอย่างที่รเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีธรรมโดยเฉพาะอย่า ง, งอยู่ใกล้หลงตาเนี่ยลองดูสิไปนวดเส้นในท่านเนี่ยโอ้แทบไม่หายใจเลยมันหมอบมันกลัวมันหายไปหมดแล้วกิเลสมื่อมันหายไปหมดแล้วมันกลัวกิเลสยมันกลัวทำมันเป็นอย่างนั้นนะ นี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยนะเราพูดถึงนี่เพูดถึงอะไรเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยนะเราพูดถึงความสงบของจิตบางคนก็ออกรู were, ้ข้างนอกบางคนก็ออกรู้บางคนก็คาดคาดเดาเบางคนก็เอาความคิดมาคุยมาบอกบางคนก็เอานิมิตอย่างนั้นอย่างนี้มาคุยมาบอก บางคนก็เอาความรู้รู้จริงเห็นจริงมาเล่ามาบอกอย่างนี้ก็มีใครเริ่มเป็นก็ต้องระมัดระวังใครเป็นก็ต้องได้ระมัดระวังครูบาอาจารย์ท่านให้น้อมลงในกรรมฐานทั้งหมดคําว่ากรรมฐานกรรมฐานพิจารณาให้เกิดความเบื่อความหน่ายเพื่อคลายเพื่อจางเพื่อเลิกเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธ ความลุ่มหลงในหัวใจให้หมดไปถ้าเราน้อมมาตรงนี้น้อมมาเพื่ออนิจจังเพื่อทุกขงังเพื่ออนัตตาเพื่อไม่นิ่งนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดกรรมฐานแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันไม่ใช่เป็นการพิจารณาเพื่อกรรมฐานมันเป็นการเสริมกิเลสนั่งคิดนั่งปรุงนั่งนึกนึกไปนึกมาเกิดความโลภนึกไปนึกมาเกิดความโกรธนึกไปนึกมาปรุงเลื่อยเปื่อยล่องลอยวาด ภาพาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นงนั้นหลงคำดำมรริของตนเองออกนอกลกูนอกทางเสียหายได้อันนี้ท่านให้ระวังนนท่านให้ระวังแต่ประเภทออกรู้ออกเห็นนั้นน้งตาถ้ายังมากร้อยละห้าเท่า น, นั้นละร้อยละหา้าเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ท่านเข้าถึงธรรมท่านจึงมีไว้ให้เราให้เราทราบเป็นสี่ประเภทนะสุขวิปสัสสนี้ มีความรู้เพียงสามารถทําให้ความโลภความโกรธความหลงในหัวใจหมดจดโดยชิ้นเชิงจากหัวใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีริดเดทอภิญญาอะไรนะสุขวิปัสสโกเตวิชโชเตวิชโชมีวิชาสามนะปุพเพนิวาสันสติ ญ, ญาจุตูปปาจียานอาสวัคคยายานรู้ว่ากิเลตของเจ้าของนี่หมดไปนี่เป็นประเภทพระอริยะพระอริยเจ้าอ่าชลพินโยอภิญญาหกนะ มีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิธิเนี่ยแสดงฤทธิ์ได้แล้วก็จตุปฏิสมัมภิทาทั้งสี่รู้อัดรู้ธรรมรู้นิรุตรู้ภาษานี่ประเภทของพระอารหันต์มีสี่ประเภทเแต่ประเภทไหนก็ตามจิตของท่านแต่ละแต่ละแต่ละท่านแต่ละท่านนั่นะ บริสุทธิ์หมดจดจกเปี่เล็ดโดยชิ้นเชิงและการบริสุทธิ์หมดจดทั้งนี้ทราบด้วยตัวของตัวเราเองไม่ต้องมีใครบอกที่เราเรียกว่าปัจจัดตังปัจจัดตังไม่ต้องมีใครบอกบางคนชอบเอามาพูดว่ายุคนี้สมัยนี้ไม่มีพระราารอรหันต์ไม่มีพระอรหันต์เพร า, าร ะ, ะไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรณให้ทราบว่าวใครเป็นพระอราหารันต์ คำว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์หรือบอกหมายความว่าบอกบุคคลที่สเท่านั้นเช่นอย่างพระจักุบาลเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านตาบอดท่านทําความเพียรจนท่านตาบอดท่านท่านออกจากที่ที่อยู่ของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชียตะวันฝนตกหยุดใหม่ๆหม่ตะนท่านเดินท่านลงไปเดินจงกรมที่แมงเมาออกมาเต็มไปหมด แต่ท่านตาบอดอน้องชายมาเอาเชือกเป็นราวแล้วท่านเดินกลับไปเดินกลับมาเดินกลับไปเดินกลับมาแบงว่าอวันออกมาเพ่นผ่านเตรียมไปหมดตามพื้นตามอะไรแต่ท่านเดินเหยียบย่ําตายไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่ทีนี้พระปุตชนไปเห็นก็เลยไปยกโทษท่านโอ้ตั้งแต่หูดีตาดีร่างกายเรี่ยวแรงดีก็ไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจทําความเพียรมาเร่งอะไรตอนหูหนวกตาบอดอย่างนี้ตำหนิติเตียนแล้วไปเฝ้าพุทธเจ้าทูปุติเจ้า ท่านท่านซ า, าบาพระจักรบาลนะท่านเป็นมนุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปว่าท่านท่านไม่มีเจตนาแม้เม็ดหินเม็ดสายท่านก็ไม่มีเจตนานี่เพราะเธอพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะหมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่คือท่านบอกพระปุตุชนเพราะพระพระปุตตชนไม่รู้ไปยกโทษยกก่อนบอกว่าโอง้งนั้นเป็นอย่างานั้นโอ้นั้นไม่เป็นอย่างานั้น แม้แต่พระสันตกายเห็นไหมพระสันตกายเนี่ยท่านมีนิสัยมีกิริยาบารียาสงบเสงี่ยมแล้วเกินเพราะอะไรเพราะท่านเคยเป็นราชสีมาห้าร้อยชาติไม่มีอย่างอื่นขั้นว่างั้นดักกิริยาท่าทางของราชสาีเดินสวยงามเดินสละสลวยสวยงามชาตินี้มาเป็นท่านมาเป็นพระสันตกายเนยมีกิริยางามท์นี้ใครๆที่พบที่เห็นก็ว่าท่านองค์นี้เนี่ยมีกิริยา นี่แหละพระอริยเจ้านี่แหละพระอรหันต์กิริยากายงามเหลือเกินกิริยาวายจางามเหลือเกินเพราะเป็นอัธยาศัยเก่าที่เคยเป็นราชสีสว่างนั้นนะบางคนก็ว่าท่านเป็นอย่างงั้นถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่ายั ง, เ ธ, ยงเธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ดอกเธอเป็นยังเป็นพระผุ้ทุชนนี่เองพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงแสดงธรรมพระสันตกายฟังธรรมข้อนั้นด้วยกันนะ่ยในขณะเดียวกันท่านฟัง ฟังจบท่านก็นได้บรรลุธรรมตอนนั้นเองนี่คือเราเอากิริยาข้างนอกไปดูไปทายไปอะไรเราทายไม่ถูกอถ่ายไม่ถูกต้องมีพระพุทธเจ้าบอกเพราะฉะนั้นเราจะว่าได้ยังไงว่าต้องมีพระพุทธเจ้ามาทายเท่านั้นน่ะถึงจะรู้ว่าเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่เหมือนความโกรธมันเกิดที่ใจของเราเรารู้ได้ไหมความโลภความโกรธความรุ่มหลงมันเกิดขึ้นในใจของเราเรารู้ได้ไหมเวลาความโกรธมันเกิดนี่ ทั้งกายทั้งมือทั้งตีนทะงสันเทา ส, สันเทิรไปหมดหัวใจ ด, ดิ้นเด่วเ ด, ยวเดยวอยู่นั่นเรารู้มันกโกรธไหมทีนี้พอความกโกรธอย่าเนี้ระนับดับลงไปแล้วดับไปจนไม่เหลือไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยเรารู้ได้ไหมมันเกิดที่เราเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าปัจจัดตังปัจจับตังจะต้องมีใครมาบอกจะต้องมีใครมาบอกนะแต่บางทีมันก็สาคัญได้เหมือนกันสาคัญว่าเป็น ก็ยึดเอาถือเอาเอาสัญญาไปสำคัญเอาไปจับเอาแม้แต่อุรุเวลาัสปะเขาไม่ได้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเขายังสำคัญว่าเขาเป็นพระอระหรันต์เพราะสำคัญมั่นหมายว่าจะของทำศีพลพราบางอย่างเคร่งครัดไปเท่านั้นเองแล้วก็สำคัญว่าจะของเป็นพระอระหันต์อันนี้คือความสำคัญความสำคัญก็คือยึดเอาถือเอาด้วยเหตุที่เราอยากพ้นกิเลสพ้นกิเลสพ้นตัณหาพ้นอาสวะ บางครั้งจิตมันก็สงบระงับอยู่ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเราก็สำคัญเอาเราถือเอามีผลอย่างใดปรากฏขึ้นเราก็ถือเอามีผลอย่างใดปรากฏขึ้นเราก็ถือเอาถือเอาผลผลเหล่านั้นท่านให้สักแต่ว่ารับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยชิงไว้ไม่ยึดนะผลเหล่าใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาไม่ยึดเอาแม้จะเกิดยานเกิดความสว่างยานโอภาษความเบากายเบาใจ ความสงบอะไรต่ออะไรเนี่ยไปดูในใน อ, อะไรนะ่ยไปดูในอะไรนะ่ยกิเลส10อย่าง น, นนะวิปัสสนุปกิเลส homeland. ไปดูในวิปัสสนุปกิเลส10อย่างโภพาฏยานปิติปัสัทิสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ยและทั้งทั้งหลายเหล่านั้นนะทั้งความสว่างทั้งยานทั้งอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นมาเราเพียงแต่รับทราบแล้วก็ปล่อยไว้เพียงแต่รับทราบแล้วก็ปล่อยไว้ ถ้าเรายึดผลเราใดก็ตามที่เรายึดถือเอาที่ที่เรียกว่าถือเอาถือเอาผลอะไรเกิดมาเกิดมาแล้วก็ยึดถือเอาเกิดมาแล้วก็ยึดถือเอาเพราะสัญญามันสอนเราได้เรายึดตามสัญญาได้เราถือตามสัญญาได้ไม่ใช่เป็นปัญญายานเป็นเป็นเหตุให้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจตามความเข้าใจของเราแล้วก็สามารถทำให้เราหลงทางได้ไปไม่ถึงไหนมันเป็นปัญญาก็จริงอยู่ แต่มันยังเป็นปัญญาเจือปนกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าวิปัสณูปกิเลสวิปัสณูปกิเลสเกิดขึ้นได้ด้วยประการชนนีเองท่านให้ยึดแต่เหตุเหตุใดก็ตามที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิปทาของเราให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจทำไปตามนั้นแต่สนหรับผลที่เกิดขึ้นมาท่านให้รับทราบแล้วก็ปล่อยทราบแล้วก็ปล่อยทราบแล้วก็ปล่อยทาแต่เหตุดาเนินตามแต่เหตุตามตอนแต่เหตุ ผลเหล่าใดที่จะเพิ่เกิดเกิดขึ้นไม่ห่วงไม่วิตกไม่กังวลไม่ยึดไม่ถือถ้าเรายึดเราก็สําคัญมั่นหมายสําคัญว่าเราได้บรรลุถึงขั้นนั้นถึงขั้นนี้ซื้อเอาสําคัญเอาอบางอง ค, คอ์ก็สำคัญแล้วสาคัญอีกสําคัญแล้วสำคัญอิกถือผิดแล้วถือผิดอีกถือผิดแล้วถือถอีกแต่กว่ามันจะหมดจบดโดยเฉลี่ยโอ้ต้องต่อสู้กันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนี่คือความรู้ข้างในที่เราตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราเจริญรอยตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญามันจึงเป็นการเข้าถึงหลักเข้าถึงเหตุเข้าถึงต้นตออย่างแท้จริงถ้าเราจะเทียบกับหลักอริยสัจสี่ก็คือก็คือเหตุกับผลโดยที่แท้จริงเหตุกับผลเท่านั้นเองที่เราทำงานเหล่านี้คือเหตุกับผลเท่านั้นเองเหตุเพื่อความสงบเราก็ตั้งใจทำเหตุเพื่อความสงบอย่างแท้จริงพ้ ผลใดๆอย่างอื่นเป็นผลปลอยได้เกิดขึ้นตามมาแต่เราต้องเข้าใจว่าความสงบประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยอาตปะมีความรู้รอบตัวทั่วพร้อมโลอยู่นี่เป็นความสงบเป็นเป็นความสงบเป็นความสงบแล้วก็ปัญญาใดๆก็ตามที่จะพึงเกิดขึ้น เราก็ไม่ถือก็เราก็ไม่ยึดเอาเราก็ไม่ถือเอาตั้งใจรักษาตั้งใจเจริญสมถะอยู่นั้นสลับกันไปสมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาพิจารณาแยกแยะแยกแยะให้เห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเข้าเพื่อเข้าถึงบริสุทธิ์หมดจบถ้าหากเรายึดเรายึดเราก็ติดเราก็ค้างเราก็เกาะมันเป็นการยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดนี่ท่านเรียกว่าให้พิจารณาหลักหลักตามหลัก ของครูบาอาจารย์ของเราสอนให้เราเจริญความสงบที่เรียกว่าสมาธิเรานึกนู้นึกนีกนก้นึกอะไรวุ่นวายไปหมดเราไม่ต้องนึกทิ้งปล่อยเอาพุโทโธอย่างเดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นกับพุโทโธตายกับพุโทโธนั่นแหละจนจิตมันได้รับความสงบแน่นแนอย่าลืมว่าจิตที่สงบนั้นน่ะจิตแ้วจิตจะเริ่มจะเริ่มมีความรู้นะจิตจะเริ่มมีรู้สัจธรรมสัจธรรมพื้นพื้นสัจธรรมหยาบหยาบจิตจะเริ่ม ชับไวไรับรู้ต่ออารมณ์มันจะมันจะเป็นเป็นริษเป็นเดชเป็นอภินยาไปในตัวอยู่ในนั้นแหละกับจิตของคนที่ไม่มีความสงบนะั้นมันจะแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากแม้แต่ปัญญาก็การยังรู้ลึกเข้าไปก็ยังไม่ทะลุบางทีพุ่งไปทางหน้าลืมข้างหลังบางทีพุ่งไปได้ข้างหน้าได้ข้างหลังแต่ลืมข้างางลืมระวังระแวงข้อ ที่จะพึงทําให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วสมาธิมันจะแนบแน่นการที่กําหนดใช้จิตที่มีสมาธิพิจารณาให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั้นเหมือนกับพร้อมจิตมันพร้อมพร้อมที่จะยกอันนั้นขึ้นมาพิจารณาพร้อมที่จะยกอันนี้ขึ้นมาพิจารณาทําให้เราได้รับความรอบรู้ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยอขยับไปเรื่อย จนสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยลำดับโดยลาดานี่เราพูดถึงหลักของเจริยธรรมต้องไปจากความสงบข้างในเราพูดถึงหลักของธรรมาพิบาล mm. ก็อย่าลืมทิ้งแก่นทิ้งหลักตรงนี้มันไปจากตรงนี้อย่าลืมสมถะอย่าลืมวิพัฒนวิปัสนาถ้าเราจะตั้งใจพัฒนาจิตะจะตั้งใจพัฒนาจิตเราก็อย่าลืมหลัก ของศีลของสมาธิของปัญญาเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนามาถึงขั้นว่าให้มีหมู่บ้านศีลห้าพวกเราแถวนี้มีแล้วยังหมู่บ้านศีลห้าแล้วก็แล้วก็มีอีกนะถือไม่ต้องครบทั้งห้าข้อก็ได้นะว่าแต่คนในบ้านถือศีลทั้งหมดถือศีลทั้งหมดหรือศีลเป็นถือศีลเป็นปริมาณในปริมาณของเขาได้ชื่อว่าศีลเป็นหมู่บ้านศีลห้า เอ๊ ه, การดำดิบแบบนี้นดีมากดีกว่าหมู่บ้านอย่างอื่นนะหมู่บ้านศรีนาเนี่ยเพราะหมู่บ้านศรีนาเนี่ยเราชาวพุทธแท้ๆเนี่ยเราให้เขาไปปลุกให้ถือศรีานาโอ้ยอายเขาแค่เราไปลงชื่อว่าเราเป็นผู้ถือศรีนานี่ก็น่าอายพอแรงแล้ววัน <c oughs> วันนั้นเราไปพูดธรรมะที่ถ้าดุกถ้าดุกยุทธแถวนั่นแถวนั้นอำเภอผื อ, อไปพอดีศาสนาพุทธศาสนาจังหวัด เ ข, า ไ, เขาไประดมระดมเรื่องเรื่องศีลห้านี่แหล ะ, ะเขาก็เลยมาเล่าข้อวบุญให้เราฟังเขาบอกที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาระดมไปแล้วได้ได้ได้สองสามแสนคนแล้วแต่ที่อุดรเรายังไม่ถึงร้อยคนเลยเราฟังดูทำไมมันมันเกินความจริงแท้ใครจะเป็นหลักเป็นเกียร์เท่าเท่ากับคนอุดรไม่มีหรอกคนอุดรเนี่ยเป็นผู้สมาทานวิรัตงดเว้นเป็น อาจินอาจนกรรมก็มีถือศีลห้าเราชาวพุทธเราเราก็เลยพูดว่าโอ้มันไม่ใช่เขากลัวเสียศักดิ์ศรีเหรอเขาไม่ไปลงบัญชีเพราะศีลห้ามันเป็นศีลพื้นๆของชาวบ้านอยู่แล้วครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านมามากต่อมากคนที่ถือเป็นนิจจะศีลเนี่ยจะเป็นส่วนมากเลยซ้ําไปแต่เขาไม่กล้าไปลงมันรู้สึกละอายเรามาฟังดูในลักษณะหัวใจของชาวพุทธเราเนี่ย ไปลงไปลงชื่อวะกัพปิยารักษาศีลห้ากัปปิรักษาศีลห้ า, า, ร า, ห, าหรือบางคนไปลงเพื่อเป็นยศเป็นเกียรติเป็นเป็นยศเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสัจจะมากกับที่ใจของตัวเองได้ก็ดีจะอาศัยเหตุอันนี้แหละเป็นเหตุให้เราได้ตั้งใจรักษาศีลไม่งั้นเราไม่มีอะไรผลักดันให้เรามีแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจรักษาศีลมันก็เป็นเรื่องดี เป็นเรื่องดีอยู่น ะ, ะเพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราเราจะอยู่ทำงานทำการก้าวหน้าศึกษาเล่าเรียนรรมาหากินมีความก้าวหน้าร่ารวยเท่าไรก็ตามหรือจะประสบความทุกข์ยากลาบากขนาดไหนก็ตามเราไม่ทิ้งศีลเราไม่ทิ้งธรรมเพราะหลักของจริยธรรมไปจากหลักของศีลหลักของธรรม เราไปเอาคําเขียนของคนที่ไม่เข้าถึงหลักของเหล่านี้มาแล้วก็พูดพูดแม้แต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่ไปไม่ไปปฏิบัติแบบนี้มันไม่ขลังหรอกเรามาเอาไปจากพระแล้วก็ไปจ้างใจทําแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้เบกคนรอบข้างของเราให้รู้เพื่อจะได้เป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกก็เหมือนอย่างที่พวกเราเรียกกันมาอย่างนี้แหละเราไปถือศีลอยู่ท่ามกลางของคนทุกศีลเราจะมีความสุขที่ไหน เราไปปฏิบัติธรรมอยู่ท่ากลางคนไม่มีธรรมไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมันก็ไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องบอกเราจะต้องแนะนําเราจะต้องเตือนเพื่อเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นแรงเป็นพลังช่วยผลักดันแก่กันและกันช่วยพยุงแก่กันและกันช่วยประคับประคองแก่กันและกันสังคมของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนับตั้งแต่ส่วนตัวของเราไปถึงกลุ่มย่อยครอบครัวของเราไปถึงกลุ่มปานกลางามาตาม ที่ทำงานตามโรงงานะระดับตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงประเทศสันติภาพมันจะไปจากไหนมันก็ไปจากนี้เองเราไปบนบนเพอถึงแต่ชื่อเฉยเฉยแต่เราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันจะเอาความสงบมาจากไหนนะไปพูดถึงแต่คอร์รัปชันคอร์รัปชันปราบคอร์รัปชันปราบคอร์รัปชันตัวเองไม่เข้าใจเลยว่าไอ้วิรังดเว้นเพื่อให้สงบระนับคอร์รัปชันคืออะไร มิเตียกท่าพืพ้นท่าืนแล้วมันจะเกิดความขลังได้ยังไงตั้งกดตั้งเกณฑ์เพื่อที่จะให้คนอื่นทําแต่ตัวเองไม่ทําเหมือนอย่างที่หลวงตาท่านเล่านิทานนะ่ะแหละหลวงตาท่านเล่านิทานมีเพื่อนสหายสองคนเนี่ยไอ้คนหนึ่งชอบไปวัดอไอ้คนหนึ่งชอบไปหาปลาหาอยู่หากินหาปลาหาล่าเนื้อหาสัตว์หาอะไรต่อะอะไรนีนะมีวันหนึ่ง มีมีวันหนึ่งเขาก็บอกเพื่อนของเขาเนี่ยแหละไอ้เพื่อนที่ชอบไปหาปลานี่ยแหละอไปชวนชวนไปวัดไปว่าไปชวนไปวัดไปว่าชวนยังไงจะไปก็คนมันไม่มีนิสัยมันไม่ไปแต่เออดีแล้วท่านไปแล้วก็ดีจะไม่มีใครมาแย่งหาปลาไม่แย่งปลาม่ไม่ไมาแย่งหาอยู่หากินเราไปวัด ไปวัดไปสวรรค์ไปนิพพานดีแล้วไม่ต้องมีใครมาแย่งเรา <c oughs> นานเกเลตมันเยอะเย้ยไปอย่างนั้นอ <c oughs> บางคนก็ให้คนอื่นวางมือรามือเจ้าของเจ้เอาเสบ้างอา <c oughs> ใหค้คนคนอื่นวางมือรามือเจ้าของเจ้าเอาเสบ้าง <c oughs> พฤติกรรมเหล่านี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่มีพื้นพื้นอยู่ในโลกเราเร า, <c oughs> เราไม่ต้องสงสัยดอกนี่แหละโลกนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราอย่าไปสงสัย <c oughs> แม้พระเจ้าท่านอุบัติที่อินเดียก็ตาย ในสมัยนั้นอินเดียก็ถือศาสนาพราหมณ์คร่าเคร่งมากพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ไปได้มาขนาดนั้นไม่ใช่ธร ร, ร, รมดาเหมือนกันนะเอาของจริงแล้วก็ไปเสาะสแสวงแล้วก็ได้มาขนาดนั้นไม่ใช่ไปหมดทั้งอินเดียนะเราไปดูศาสนาพราหมณ์ยังแน่นหนามั่นคงอยู่มาจนสมัยปัจจุบันเนี่ยเมืองพาราณสีเมืองพารณพารณสีไอ้ต้นเชิงตะกรตรงนั้นที่เราไปไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะเขาบอกห้าพันปีมาแล้วไม่เคยดับไฟตรงนั้นไม่เคยดับ ไปด้วยการเผาเผาคนเป็นป่าช้าเผาอยู่ที่ฝั่งแม่นม้ํำคงคาเมืองพาราณสีเราไปดูเห็นเห็นเป็นอย่างงั้นจริงๆตายวันนั้นเขาก็เอาไปเผาวันนั้นตายวันนั้นเขาก็เอาไปเผาวันนั้นเขาไม่ต้องมีมีโลงศพมีอะไรเหมือนบ้านเราดอกไม่มีมีตะแค่หามเหมือนแตะแค่เขาหามดินนั่นแหละนะไปใส่หามไปแล้วก็เอาผ้าคลุมมัดติดอยู่กับตะแคร่แล้วก็หามไปแล้ว หาไปเผาไปแล้วก็มีคนที่รวยที่สุดจะมีฟืนมากที่สุดเผาไหม้หมดแต่ถ้าคนจนหน่อยฟืนไม่ค่อยมีฟืนแพงมากเผาได้ครึ่งหนึ่งเพราะน้ำดำเป็นต่อตะโกนเคลียลงแม่น้ำคุยเคลียลงแม่น้ำคงคาเนี่ยโลกนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราอย่าไปส ง, ส, งสัยแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อขนพวกเราพ้นให้พ้นไปจากโลก ใครเชื่อพระพุทธเจ้าคนนั้นก็พร้อมที่จะก้าวตามพระองค์ไปหันมารักษาศีลหันมาประพฤติ ธ, ธรรมหันมาปฏิบัติธรรมอเอาเป็นว่าหัวใจของใครของเราเอาชีวิตของเรานี่แหละเป็นเดิมพันคำว่าเอาเป็นเดิมพันนี่หมายความว่าเราตั้งใจรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตายทาไปจนตายไม่ปล่อยปะละวางนะทั้งรักษาศีล ทั้งเจรสมาธิทั้งเจิญปัญญาหาปัญญาไปสุตะไปสุตตะที่ไหนกน็เอามาใคร่ครวนมากินตะสุตตาสุตามยะปัญญากินตามยะปัญญากินตามิยะ ป, ปัญญาก็คือเอามานึกมาคิดมาใคร่มาครวนธรรมะของพระริเจ้าต้องเอามาใคร่ครวนไม่ใช่ทั้นสอนอย่างให้เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงจิงว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยมันท้าทายยิ่งมาพิสูจน์เท่าไหร่ ใครยิ่งชอบพิสูจน์คนนั้นจะต้องสยบให้กับธรรมะของพระองค์คนไหนไม่ชอบพิสูจน์เมินเฉยแล้วก็ทิ้งไปเฉยเฉยไม่สนใจอะไรไม่ได้อะไรเลยแต่คนชอบพิสูจน์พิสูจน์ไปพิสูจน์มาอ้าวเข้าถึงธรรมซะแล้วนะเหมือนอย่างอะไรเหมือนอย่างวังคีสะพราหมณนะ์วังคีสะนั่นแหละวังคีสะที่ว่าเคาะกะโหลเคาะกะโหลรู้รู้รว่าเจ้าของกะโหลนะั้นไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ไหนไหน มีอยู่วันหนึ video, ่งเห็นว่าพุทธเจ้าประกาศทำอยู man, so ่แถวนั้นไปเพื่อที่จะไปไปเพื่อที่จะไปแสดงให้เห็นนั่นแหละพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาให้เคาะกะโหลกให้เขาเอากะโหลกของพระอรหันต์มาให้เคาะด้วยเคาะกะโหลกของปุตติชนเคาะคนนั้นเคาะเคก็รู้ว่าไปเกิดที่นน่นที่นี่เคาะเก็รู้ว่าไปเกิดที่นน่นที่นี่พอเคาะไปถึงกะโหลกพระอรหันต์เนี่ยท่านท่านหมดภพหมดชาติแล้วท่านไม่ได้ไปเกิดแล้วเนี่ย จิตของท่านบริสุทธิ์หมดจบโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีภพไม่มีชาติหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วเนี่ยข้อๆอะไรก็ใช้ไม่รู้ข้อๆอะไรก็ฟังลงตานะข้อๆอะไรก็ฟังไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงตรัสว่าเรารู้เรารู้ยอมหยอมเรียนเอามนเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะได้รู้ไปเสริมวิชาความรู้ของตัวเองอีกนะจะได้ทำมาหากินให้ดิบดีเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น พระเจ้าก็เลยให้บวชบวชแล้วก็มาเรียนนี่เนี่ยเกสัโลมานะขาธันตาตะโจตะโจเนี่ยเพราะการทํางานเหล่านี้มันเป็นการย้อนมาดูของจริงเรื่องจริงย้อนมาดูกายของเราย้อนมาดูวายจาของเราย้อนมาดูใจของเราย้อนมาดูพฤติกรรมของกิเลสที่มันโดดโลดเต้นอยู่ในหัวใจของเราย้อนมาดูหลักของอัดของธรทำสมาธิธรรมสัำปัญญธรรม ฮิริธรรมโอตปะธรรมขันติธรรมโสรัจักธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ธทำอยู่อย่างนี้พิจารณาถึงหลักความเป็นจริงอย่อยางนี้ในที่สุดพ้นไปได้พ้นทุกพ้นโทษไปได้เมื่อพ้นไปแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาเคาะไหนสิคนทั้งหลายนี่ชอบท้าทายชอบท้าทายพอมาท้าทายแล้วมาเจอแบบนี้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแบบนี้เสร็จพระองค์ทุกราย ใครชอบท้าทายแบบนี้เสียพระองค์ทุรายพระองค์สอนให้เชื่อแต่พระองค์ไม่มัดมือให้เชื่อน ะ, อะเธอต้องไปทําตามซะก่อนสอนอยู่อย่างเดียวสอนให้เชื่อคือสอนให้เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ต, ถ า, ตถาคตโพธิสัตว์ฐาเพราะอะไรเพราะสมัยนะั้นพระองค์ทรงพระชนอยู่ถ้าใครสงสัยข้องใจว่าพระองค์บรรลุจริงหรือเปล่าไปถามข้ออัดข้อทําอะไรทนายพระองค์สอนได้หมดทะลุโปรง่งไปหมดอสอนให้พิจารณาถอนให้ทดสอบ ก็เหมือนอย่างก็เหมือนอย่างก็เหมือนอย่างเสดเสถีอะเสษถีอะไรนะเสษถีที่ว่าตายแล้วไปเป็นสุนัขอ่ะเสษถีมีทรับแปดสบโกดอ่ะโททยพรามอ่ะโททยพรามมีเสดเป็นเสษฐีมีซับแปดสบโกดแล้วเอาไปฝังไว้หลังบ้าน แล้วก็ไม่มีใครรู้นะอยู่ๆมาแลตายตายสมัยที่มีชีวิตอยู่นะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันอนอกจากไม่ใส่บาตรแล้วยังด่าพระุทธเจ้าอีกอพอตายไปแล้วห่วงทรัพย์ได้สิไปเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านนั้นแหละเป็นลูกสุนัขสุนัขกําลังหัดวิ่งหัดเหา่าหัดอะไรนี่แหล ะ, ะเป็นลูกสุนัขสุนัขโทนตัวเดียวตัวผู้ตัวเดียวนถ้ามีวันหนึ่งพุทธเจ้าก็ไปบิณฑบาตเหมือนเดิมแหะ ลูกสุนตัวนี้ก็มาเห่าลูกสุนัขตัวนี้ก็มาเห่าพระพุทธเจ้าตั้งกระทรงแย้มพระโถดท่ากระทรงตรัสว่าโอ้โทธทยพรามสมัยมีชีวิตอยู่เรามาบินธบากก็ไม่เคยใส่ทั้งด่าเราอีกตายแล้วมาเป็นสุนัขมาเป็นสุนัขยังมาเห่าเห่าหอนเราเหมือนเดิมอ่าพราพูดอย่างนี้แค่นี้เองสุนัขตัวนั้นระลึกชาติได้หูตกเลยงั้นปู่ไวยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปทีนี้ไอ้ตอนระหว่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสนั้นแหะ คนใช้วิ่งมาเพื่อที่จะจับลูกสนักตัวเนี้คนใช้ได้ยินหมดว่าพระพุทธเจ้าสั่ตรัสอะไรพอไปนายโททยะมานพเนี่ยเป็นลูกชายโททยะมานพกนถามเอ๊ลูกสนัขตัวนี้ทําไมไม่กินข้าวมาอะไรป่วยไข้ามาหลายวันแล้วนี่คนใช้ก็เลยเล่าให้ฟังมีวันหนึ่งพระพระสมณโคดมมาบินทบาท่าลูกสนักไปเห่าแล้วก็ตรัสอย่างนี้แหละตรับอย่างที่เล่าเมื่อกี้นี่แหละลูกสนักตัวนี้ก็เลยป่วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพอ พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าพ่อตัวเองตายไปเป็นสุนัขเท่นั้นแหละโอ้ยเคียดอย่างรุนแรงเลยวิ่งเลี้วไปที่วัดเลยว่างไหวจะหวังจะไปต่อว่าพุทธเจ้าว่าเหมือนก็ดูถูกพ่อของตัวเองเธออย่าเพิ่งเชื่อเราให้เธอตามทําตามเราแล้วบอกอย่างนี้แล้วเธอไปทำตามเราซะก่อนเธออย่าเพิ่งเชื่อเราว่าว่าพ่อเธอเนี่ยเป็นสุนัขให้เธอไปทําอย่างนี้นะให้เอาสุนัขโลกสุนัขตัว น, นี้อาบน้ําเช็ดอย่างดีแล้วค่อยไปนอนบนที่นิ่ม หลังจากอาบน้ำเช็ดตัวเขาอย่างดีแล้วไปวางให้เขานอนดูว่าเขากำลังจะหลับใกล้ๆจะหลับเคริ้มเคลิมใกล้ๆจะหลับให้ไปกระซิบที่หูเหมงนันนะพ่อพ่อซับ80ดสิบโกรธพ่อฝังไว้ที่ไหนผธิจาดสรรทรงแนะนำนะถ้าเปิอเป็นโททยพรามเนี่ยจะลุกปุ๊บ ป, ปั๊บเลยวิ่งไปเธอแบกจอบตามไปเลยมนะันเพื่อได้ขุดก็เป็นอย่างนั้นจริงน่ พอทำอย่างนั้นลูกสนั่นคนนี้ตื่นก็วิ่งไปกันหลังบ้านไปเห่าตะกุยตักุยตักวตกวุย ต, ต, ตัวไหนขุดมีตะซั์เต็มไปหมดเน่โททยะมานพที่เป็นลูกชายในสุขเลยเชื่อเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นคนโชคดีได้จับใจ่ายใช้สอยซั์ที่เอาไปฝังไว้นั่นแหละทําบุญให้ทานกับพระพุทธเจ้านี่เป็นโชคดีของโททยะมานพของลูกชายนี่หมายความว่า ธรรมะคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เชื่อสอนให้ทําตามสอนให้เชื่ออย่างเดียวสอนให้เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบตถาคตตาผัวที่ศรัทธาไปพูดตรัสรู้เองโดยชอบเพราะใครไม่เชื่อไปถามพระองค์สามารถตอบได้กลับใจได้เพราะงั้นเถอะทํำไมกลับใจไม่ได้เพราะเหตุผลของพระอง์รู้หมดรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังของเราหมดว่าจะเป็นว่าจะเป็นยังไงแม้แต่พระสาวกเนี่ยแม้แต่พระสาวก มันก็ยังยังมีพระสาวกบางองเนี่ยบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากใครก็ไม่บรรลุต้องฟังจากพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธเวนยัยพุทธเวนยัยเช่นอย่างพระจุลบรรทกเนี้ยพี่ชายสอนให้ท่องคาถาคาถาเดียวตลอดธรรมสาจําไม่ได้อพอออกภาษาพี่ชายก็ทรมานหมอเหีวกนิมนต์ไปฉันที่บ้านหมดทั้งวัดเลยแหละแต่ไม่บอกให้น้องชายไปนะน้องชายเสียใจมาก มหาปันทกเป็นพี่ชายน้องชายจุลปันทกก็เลยพระทั้งหลายนี่ตอนเช้าขึ้นมาเขาหลังไหลไปบ้านหมอชีวกแต่จุลปันทกเนี่ออกไปหลังวัดพุทธเจ้าอยู่ในเรดาร์ของพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าก็ไปดักทางเธอจะไปไหนจะไปศึกไปเจ้าข้าเพราะอะไรล่ะพี่ชายอับอายพี่ชายไม่ให้ไปฉันในบ้านอา้าวเธอไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายเธอเธอบวชอุทิศเราเธอมานี้ ผู้ที่จะดูทะลุ ป, ปูกโคลงหมดแล้วว่าจุลบันทกเนี่ยจะบรรลุธรรมด้วยเหตุใดมาก็เนรมิตผ้าขาวให้มาบริกรรมเนรมิตรผ้าขาวขาวผ่องให้มาเออมาตรงนี้ทําตามเรานั่งอยู่ตรงนี้จุลบันทกก็นั่งมานั่งบริกรรมระโชหะระนังระโชหะรณนังคาว่าระโชหะรณังปแปล ว, ว่าฝุ่นทุลีละอออนระโชหะระนัง บริกรรมไปบริกรรมไปมือเขาลูบไปบริกรรมไปลูบไปบริกรรมไปลูบไปผ้าขาวผ่องนั่นะจะเริ่มมองลงมองลงมองลงมองลงเกิดคิดย้อนโอ้พรยิโกเข้ามาโอ้มือของเราี้สกปรกตัวของเราี้สกปรกได้ปจจกูลและสัญญาจิตได้รับความสลดได้รับความสลดใจได้รับความสงบพระพุทธเจ้าก็เลยเน ร, รมิตรเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาให้พิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงนเนรมิตให้ ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมพร้อมกับวิชาพลิกกิตริมีทั้งริษมีทั้งเดชตัวคนเดียวแปลงให้เป็นหนึ่งพันคนได้นะพอดีที่บ้านหมอชีวกเนี่ยจัดอาหารไรเสตียพร้อยแล้วเนี่ยขอให้ให้พรพูะุทธเจ้าบอกยังไม่หมดพระยังมีอยู่ที่วัดหนึ่งองค์เขาก็เลยไปตามไปตามที่ไหนได้เห็นพระเต็มวัดนั่นเพราะอะไรเพราะริเดชของ จุลปันทกนั่นแหะมนุษยธรรมแปลงเป็นคนอ ง, องคนนั้นทํานั้นคนนี้ทํานี้คนนั้นปัิตาดคนนี้ถูชลาคนนั้นเดินยังกรมคนนั้นเต็มไปหมดอยู่ทั้งวัดโอ้ไม่ใช่พระองค์เดียวพระเต็มวัดเลยให้กลับไปใหม่ให้กลับไปใหม่ไ ป, มนะไปถามจุลปันทกนะไปถามจุลปันทกจุลปันทกเต็มไปหมดกลับมาอีกไปไ ป, ไปไปไปใหม่ให้ไปใหม่ใครบอกว่าจุลปันทกให้ไปจับมือคนนั้น ไปรอบที่สามไปได้จุลบัรทุกพอไปจับมือพอไปจับมือแล้วนอกนั่งหายหมดได้พระจุลบัรทุกไปฉันนี่เห็นไหมพุทธิยาท่านมองเห็นเป็นประเภทพุทธเวรในพระจุลบันทุกเนี่ยท่านเคยเป็นพระราชาในอดีตชาติท่านนั่งช้างนะ่ะไปเที่ยวเลียบเมืองไปดูเมืองไปก็ถูกแดดร้อนๆเอาผ้ามาเช็ดเหงือ่อ เช็ดไปก็เห็นเหงื่อมันดำดำร่างกายของเราในโสกปรกได้ปฏิกูลสัญญาเนี่ยเห็นไหมอานิสงส์ได้ปฏิกู ล, ส, ญญนน ส, กลสัญญาในชาตินั้นในสมัยนั้นมีผลมีอา น, นิสงส์มาจนวราระสุดท้ายได้เป็นพระอาหารหันต์จากพระพุทธเจ้าเห็นไหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นมองเห็นนี่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอที่เชี่ยวชาญที่สุดรู้ว่าคนนี้เป็นโรคนี้ จะหายด้วยยานี้ท่านก็หยิบมาใส่แป๊บเดียวเท่านั้นเองอนี่เราเล่าเป็นเครื่องประกอบมาแล้วก็พุทธธรรมะมาก็ว่านานพอสมควรพวกเราคงจะได้ข้อปฏิบัติ <c oughs> เรื่องหลักของศีลของธรรมของจริยธรรมของสันติภาวะคือความสงบของหลักธรรมมาอภิบาลคืออภรริบาลธรรมไปจากหลักของการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาตั้งใจรักษาศีล ตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจเจริญปัญญานี้เองอเพราะฉะนั้นพวกเราก็า ท, ทําเพื่อเป็นกําลังใจเพิ่มเข้าไปอีกทานทานวัตถุทา น, ท, านทั้งหลายทั้งปวงธรรมทานวิหารทานแล้วก็อภัยทานให้ตั้งอกตั้งใจทําเข้าไปแต่ว่าอภัยทานเนี่ยสำคัญนะพวกเรากลุ่มมากทํางานด้วยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันอะไรต่ออะไรกันให้รู้จักให้อภัยกันให้เห็นอกเห็นใจกัน ให้มองกันในแง่ดีไม่ถือโทษโกรธภัยมีให้อภัยผู้ใหญ่ก็ให้อภัยผู้น้อยเคารพยำเกรงผู้น้อยผู้น้อยก็ให้อภัยผู้ใหญ่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่และทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยทั้งผู้เก่าผู้ใหม่ที่เราอยู่ร่วมกันให้เราหวังพึ่งกันถ้าเราหวังพึ่งกันแล้วเราจะแสดงกิริยาอ่อนน้อมเข้าหากันคนเรานี้ก็แปมกันนะ ถ้าเราไม่หวังพึ่งกันแล้วเนี่ยมันจะแสดงกิริยาความกันด้างเข้าหากันกันด้างนะกระตงกระติงะต้งอนุนอันนี้ไม่งึดไม่ง อ, ไ ม, งอไม่นุ้นไม่นี้เออไม่ไม่ได้ไปขอใครกิ น, นว่าไปทั่วทิพทั่วแดนไปแต่ถ้าเราหวังพึ่งกันแล้วนคนหนึ่งก็พยายามแสดงกิริยาอันงามให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเพื่อหวังจะได้พึ่งเขาและอีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงกิริยาให้อีกฝ่ายหนึ่ง กิจยาที่นอบน้อมให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะหวังพึ่งเขาต่างคนต่างหวังพึ่งกันและกันแล้วต่างแสดงความนอบน้อมแก่กันและกันข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงยังไงท่านทั้งหลายไปพิจารณากันแล้วกันคนเราถ้าไม่หวังพึ่งกันแล้วมันจะทิฏฐิม า, น, านะนะไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลและแค่ผัวกับเมียเท่านั้นแหละถ้าหากไม่หวังพึ่งกันแ ล, แล้วเนี่ยผัวก็ทํางานได้เงินดีมีของใช้มีทรัพย์ใช้มากมายเมียก็ทํางานดีได้ของดีมีความรู้ดีไม่ยึดไม่ง้งอกันทัานั้น ต่างคนต่างแข่งกระด้างเข้าหากัน staff, to to นะถ well ้าหากเราไม่หวั آن, sanity, sí งพึ่งกันแล้วมันจะแข่งกระด้างเข้าหากันไอ้คำว่าหวังพึ่งกันมันหวังพึ่งกันหลายอย่างหวังพึ่งการฝังพึ่งงานหวังพึ่งสิ่งหวังพึ่งของหวังพึ่งความรู้หวังพึ่งภัยพิบัติอะไรทั้งหลายทั้งปวงความหวังพึ่งความหวังพึ่งที่เขาเรียกว่าพึ่งพิงพึ่งพิงในที่นี้แสดงว่าความหวังพึ่งลองเราไปแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูกับคนที่เราหวังจะไปพึ่งเขาเนี่ย เขาก็เคลียออกประเดียวประเดานั่นเองออการหวังพึ่งกัน<ๆ>กับการที่เราอยู่ในสังคมหมู่มากจึงเป็นเรื่องระวัดควรระมัดระวังที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องศีลห้าเราควรตั้งใจระมัดระวังศีลห้าปาณาอธินาการเมฆคำว่ากาเมพระพุทธเจ้าให้พวกเราบริโภคกามได้รวมทั้งการวัตถุทั้งหลายทั้งปวงรวมรวมทั้งยอดของกามคือระหว่างสามีกับภริยา เราบริโภคกามได้แต่ถ้าเราถือศีลแปแล้วเนี่ยข้อที่สท่านว่าท่านห้ามให้อยู่คนเดียวเหมือนพรหแม้แต่เรามีสามีเรามีภรรยาเราก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้เห็นไหมศีลแปดมันละเอียดตรงนี้เองท่านพยายามตัดอันนี้ออกตัดเรื่อง ก, การบริโภคกามเพราะฉะนั้นใครมีศีลห้าแล้วก็ถือศีลข้อนี้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรา อยู่ในกลุ่มงานที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องคลุกคลีกันถ้าเราไม่ระวังเรื่องเหล่านี้นี่แหละฟืนไฟจะไม้เราตรงนี้แหละอะ่มันจะเป็นเหตุให้เกิดไฟออกนอกเตาไฟถ้ามันอยู่ในเตาแล้วมันได้ประโยชน์หุไงได้ต้มได้ปิ้งได้อะไรได้เอาประโยชน์จากการที่เรามีไฟแต่ถ้าเราไฟถ้าไฟมันลุกเรามาออกไปนอกเตายิ่งยุคนี้สมัยนี้เวลานี้ด้วยแล้วหน้าแรงเนี่ยฮ ลองไฟก็เดินไปตรงไหนดูไหม้ป่าไหม้ดงเต็มไปหมดแล้วผ่านไปป่าตรงไหนไฟไหม้เต็มไปหมดภระยานี้เดี๋ยว น, นี้คือไฟนอกเตามันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราเอาไฟตัวนี้ออกนอกเตาของเราไปสามีก็นอกใจภรรยาภรรยาก็นอกใจสามีบางทีสามีก็เป็นคนปกติดิบดีไม่นอกใจภรรยาดอกแต่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกันด้วยการด้วยงานใกล้ชิดกับ สาวคนนั้นหรื อ, อภรรยาใกล้ชิดกับนุ่มๆคนนี้ก็ไปจ้องจับผิดซึ่งกันและกันเช่นอย่างภรรยาไปสําคัญว่าสามีออกนอกใจแต่สามีไม่ได้ออกนอกใจแต่เราไปสําคัญมั่นหมายเอาเองในขณะเดียวกันภรรยาประชดบ้างไปมีจริงๆที่นี่ใครเสียหายฮะเราทําไปชดแบบนี้ใครเสียหายหรือไม่ก็อ๋อ ภรรยาโดนตำหนิถูกเพ่งเลงจากสามีสามีเข้าใจผิดแต่ภรรยาเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนเคารพต่อสามีแต่หากมีความใกล้ชิดด้วยการด้วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งสามีด้วยเหตุถึงจับผิดเห็นว่าภรรยาออกนอกใจเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็ทำประชดประชันขึ้นมาสิบ้านตัวเองไปมีเสียจริงๆแน่ใครเป็นคนผิดจริงตอนนี้ เพราะฉะนั้นเราอย่าคาดคาดเดาเดเราระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากเพราะเรื่องเหล่านี้แหละมันจะนําฟืนนาไฟมาไหมเราไหมสามีไหมภรรยาสิ่งที่พลอยเดือดร้อนไปด้วยลกูกเต้าหลานเหลนพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยครอบครวัวเอ๋ยเพื่อนฝูงเอ๋ยวงงานเอ๋ยเดือดร้อนไปหมดนะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมนี่ที่น่ากลัวที่สุดเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรม อาตมาอยู่ตรงนี้คำว่าตรงนี้ตรงศีลตรงธรรมเนี่ยเรื่องเหล่านี้เจอบ่อยเจอมากๆเจอบ่อยมา ก, มา ก, มากเรื่องระหว่างสามีกับภรรยาบางทีมันถึงขั้นรุนแรงไปสงบระงับยังไงก็ไม่ได้หรอกสงบระงับยังไงก็ไม่ได้เป็นเหตุ ต, ต้องได้แยกไปแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครระมัดระวังได้คนนั้นก็ชุม่มเย็นมีศีลห้าใครระมัดระวังไม่ได้คนนั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายเราดูความทุกข์ที่เรามีในหัวใจ ทุกเรื่องอะไรบ้างลองย้อนเข้าไปดูเราผิดศีลข้อหนึ่งหรือเปล่าผิดศีลข้อสองหรือเปล่าผิดศีลข้อสามหรือผิดศีลข้อสี่หรือผิดศีลข้อห้าศีลข้อห้านี่สําคัญนะใครเป็นทาสของมันแล้วเนี่ยศีลข้อหนึ่งก็ก็ง่ายข้อสองข้อสามข้สี่ง่ายทั้งนั้นแหละใครรู้อานาจกับมันศีลข้อห้าคือสุราเมีไรเนี่ยเพราะกินลงไปแล้วมันทําลายสติของเรา คนเราพอเป็นผู้เป็นคนเพราะเรามีสติมีความระลึกผิดชอบชั่วดีควรไม่ควรอย่างไรเป็นผู้มีสติแต่ว่าสุรามีไรมันทำลายสติมันทาลายสติทำให้เราไม่รับผิดชอบผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งนั้นแหละวัตถเเลตมันแทรกเข้ามาตรงนั้นน่ยทำได้หมดเขายุให้ไปฆ่าคนก็สามารถเข้าไปได้ยุให้ไปปล้นธนาคารสามารถไปได้นะ วิ่งไปตามถนนนี้อันตรายมากอะอันตรายมากอั ต, า ม, าอตามาเคยโดนมาแล้วมันเป็นวันเจ็ดวันอันตรายโดยซ้ําไปผู้เท่าสองคนอายุเจ็ดสิบกว่าทั้งสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่มีทะเบียนมาก็ตรงสี่แยกนะ่ยเขาก็เลวมาเราก็คิดว่าเราจะพ้นนะเราคิดว่าเขาเ้ามือมาถึงสี่แยกแล้วเขาจะหยุดแต่ก่อนที่เขาจะปล่อยมาเนี่ยเขาก็ไปเถียงกับไปพวกเจ้าหน้าที่เขาไอ้ตรงนั้นเขามี ตั้งดูแลด้วยแต่ก็อาศัยว่าเป็นผู้เท่าก็ไปเถียงเอาเถียงเอาพวกไอ้พวกนั้นเป็นพวกรุ่นลูกรุ่นหลานะเถียงเอาคนนั้นอย่างนั้นเถียงเอาคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกันน่ะในสุดเขาก็ เ, าเลยปล่อยมาริ้วมาเราคิดว่ามันจะพ้นไม่ที่ไหนไม่พ้นมันมาถึงกลางทางแล้วแทนที่มันจะอยู่มันไม่อยู่ไอ้เราจะเบรกรถก็เบรกไม่ทนันซ้ายก็ไม่ทนันขวาก็ไม่ทนันปึง้งชนล้อมันเดินไปเลยนอนง่ายสองคนนานนี่คืออะไร ใครไทยถูกว่าคืออะไรมาจากอะไรคนหนึ่งเอาไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไปตื่นขึ้นมาเฮ้ยเรามาอยู่นี่ได้ยังไงเมาจนไม่รู้สึกตัวและคนนั้นแ่ะเป็นคนขับ <c oughs> เป็นคนขับ <c oughs> เป็นคนขับและอีกข้อหนึ่งนั่งซ้อนเท้าขาหักลูกของเขาก็เป็นนายกอบบตเป็นอะไรแต่ไรพอเราไปช่วยดูแลเล่าให้เขาฟังอู้เขาอายมากเลย เขาช่วยเป็นเราช่วยเป็นค่าน้าใจอย่างนั้นนี้เขาละอายมากเขาไม่กล้าเอาเพราะพ่อเขาผิดศีลด้วยผิดกฎหมายด้วยวันนั้นเป็นวันผิดกฎหมายนะ <c oughs> เป็นวันผิดกฎหมายพอเอาส่งโรงพยาบาลเสร็จเงียบไปเลยไม่เห็นติดต่อมาอีกนี่คือฤทธิเดชของอะไรรู้จักไหมเล่ามันปณีประสยใครที่ไหนมันรู้ผิดชอบชั่วดีที่ไหนมันรู้เป็นรู้ตายที่ไหนให้ระมัดระวังเอาไว้ เอาพอสมควรเก่บเวลาแล้วนะวันนี้รู้สึกว่าพูดธรรมมายาวพอสมควรนะไม่พอสมควรและนางฟังจนพลิกแล้วพริกอีกเหมือนกันแหละบางคนหิวข้าวนานจบแล้วเกินนานจบแล้วเกินตั้งใจเอาอดทนเอาแล้วเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแล้วก็รักษาศีลประพฤติธ ร, รมปฏิบัติทำจากนี้ไปจนตาย เอวังอิชิตังปฏิตังตุมหังกิประเมวัสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาศพีติโยวิวัชชนตุสพระโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิชนิจางุทธาปจายิโนจยัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสังพลังภาวะตุสัพพมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาโสธีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสตาโสธีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังฆาลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภาวันตุเตอ ะ, อ ง, ง, อะนอตองนละ <ası> ลองแล้วออาเอาได้ได้ได้อาจารย์ใหญ่แล้วจะถามแล้วเออาเอเอาไมไปให้เอาไมไปให้เอาแค่ว่าผู้หญิงสองผู้ชายสองพอมั้งหญิงสอง คำถามผู้ชายสองคำถามแลาะบางคนก็อาจจะเห็นว่ายาวนานแล้วเอาคืออยากจะทราบว่าการทำบุญนะคะทำด้วยใจกับทำบุญด้วยซั์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะอะไรนะเอาว่าใหม่ดูการทำบุญการทำบุญด้วยใจกับการทำบุญด้วยซั์นะคะอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคะการทำบุญด้วยอะไรนะด้วยใจคะ่ะ อ๋ออ๋อต้องบอกให้ตรงที่ไม่ไม่ได้ไปทำด้วยด้วยตัวเองแต่คอยอนุโมทนาเขาเราก็ได้เตรียมร้อยเหมือนกันแต่ได้เตรียมร้อยแบบคอยอนุโมทนาสู้เขาไปทําด้วยเรี่ยวแรงของเขาไม่ได้ดอดูเขาลงทุนลงรอนไปเท่าไหร่เรามาเทียบดูข้อเท็จจริงอย่างนี้แต่ถ้าคนไปทําศักดิ์สิทธิ์ทเฉยๆแล้วกลับมาบอกเรา ไม่ค่อยจะตั้ง อ, อ ก, กตั้งใจะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่เรานี่อนุโมทนาสาธุโดยเรี่ยวแรงอจริงบางทีเราอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเจ้าปายสิกับอุตรมานพเนี่ยอุตตระมานพเป็นคนใช้พระเจ้าปายสิเป็นมิจฉาทิฐิพระกุมารกัศปะไปทรมานให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนหลังหมาก็มาเริ่มให้ทานเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งนะแต่ให้ทานของเลว ข้าวปลายเกลียนน้ำส้มผักดองเนี่ยท่าบุญกับประสงค์เนี่ยแต่ว่าอุตรามานกเป็นคนใช้เห็นว่าของเรานี่เป็นของนายไม่ใช่ของเราตั้งใจประจงจัดอย่างดีด้วยเลื่อมใสศรัทธาไปเจ้าจของมีส่วนในในบุญนั้นนะนี่เขาพูดถึงเบื้องหลังตายไปแล้วพระเจ้าปายาสิขึ้นสวรรค์เหมือนกันชั้นจาตุ่มไปเกิดในเสรีสะกะวิมาน นั่งทนโถ่อยู่คนเดียวไม่มีบริษัทบริวารเลยแบบนั้นใครเอาบ้างเราไม่เอาเลย <c oughs> แต่ว่าอุตรามาลกไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอมอนนีอันนู้กระทิปอันนี้กรทิปอะไรอะไรก็เป็นทิปเต็มไปหมดสมบัติบริษัทบริวารเต็มไปหมดมาราลึกดูเออสมบัติเราเนี้เราได้มาอย่างไงอ๋อเราเป็นคนใช้เขาแต่เราตั้งอกตั้งใจจัดแจงสิ่งเหล่านั้นอย่างดีทั้งๆที่ของเรานั้นไม่ใช่ของเราเป็นของนาย แต่เป็นของเราเราตั้งใจทําอย่างดีเราดูสองคนอกีกใครได้อนิสงมากกว่าบ น, นสวรรค์ชั้นดาวดึงเสรีกับเสรีสกาวิมานชั้นจ่าตุงชั้นจ่าตุงคือชั้นชั้นแรกชั้นดาวดึงกับสวรรค์ น, นุ่นสูงขึ้นไปอีกมีบริษัทมากมายเยอะแยะร่างกายประดับประดาไปด้วยอลังการทิพย์เต็มไปหมดนี่คืออา น, นิสงอา น, นิสงที่ตั้งใจถวายทานแค่นี้พอเข้าใจ นี่เราพูดถึงอานมัสนานะกระดับบุญ อ, อยากจะถามเรื่องอาการตัดสังโยชน์สามใ น, ในส ก, กายเยทิฐิเนี่ยครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราตัดได้หรือไม่ได้ครับผมเราฟังธรรมจักกับปวัตนาสูตรพระอัญญาโกลธัญญะได้ฟังธรรมะของพระกุติเจา้าแต่พระกุติเจ้าพูดถึงหัวใจหัวใจของหลักธรรมเลยนะ ท่พูดถึงหลักของอริยสัจสหลักของอริยสัจสี่พราะท่านแสดงผ่านถึงหลักอริยสัจสี่ไปนี่พระอัญญาโกณทัญย์จิตเข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงความเป็นจริงก็เข้าไปรู้เหตุรู้ผลเพราะจิตตรองตามธรรมะของพระพุทธเจ้าตรองตามธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตเข้าถึงกระแสธรรมจิตเข้าถึงกระแสธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้น ความนึกคิดแบบนี้กับเมื่อก่อนนั้นเห็นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราแต่มามาถึงตอนนี้เห็นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นเป็นเพียงเหตุเป็นเพียงปัจจัยเท่านั้นสามารถละสกัยทิฏฐิคือสำคัญว่ามีทิฏฐิมีความคิดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราแต่เวลามาพิจารณาดูตามหลักความเป็นจริงไปแล้วมันเป็นการสำคัญเอาเฉยๆกลายเป็นว่าจิตดวงนี้มาเกาะเหตุ เกาปัจจัยที่เราพิจารณาเช่นอย่างดูกายดูมาที่กายท่านบอกดินน้ําลมไฟมีความเชื่อมัน่นอย่างแนบแน่ น, ม, นมันคงว่าโอ้ดินอ้น้ําโอลมอ๋อไฟจิตมันก็แยกเข้ามามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกายบ้างอะไรบ้างอ่ามันก็ยังเพลาวๆไปไม่หนักแน่นมัน่นคงเหมือนเมื่อก่อนสกายละสะกายทิฏฐิละความสงละวิธีกิจฉาความลังเลสงสัยได้ทําไมจึงละได้ เพราะจิตสงบละเอียดลึกด้วยปัญญาเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ความไม่คงที่ของกายของเราเปลี่ยนแปลงไปตามหลักของสังขารมันมีกิริยาประกอบขึ้นมาให้เกิดความรู้ว่าประกอบไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยเชื่อมั่นในหลักของเหตุของปัจจัยอันนี้เป็นสั จ, จธรรมที่ผู้เข้าถึงพระสะดาบันเข้าไปเห็นความจริงด้วยตัวของตัวเราเองเหมือนกับเรา เห็นอะไรด้วยตาของเราเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาใครจะมาโกหกยังไงเราก็มัก็เหมือนอย่างเรามองอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยใครจะมาโกหกยังไงเราก็ไม่เชื่อเราเชื่อความเห็นของเราอ่าก็เหมือนอย่างที่ว่าพระสารีบุตรท่านไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระปุริชนที่หลวงตาเนี่ยหูหนวกตาบอดก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าอ่าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเธอเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอ่าจริงพระเจ้าข้า พองค์ก็ยิ่งเสริมก็ไปอีกน่นใช่หไหมพระสารีบุตรมิจฉาทิฏฐิแล้วโดวยเหตุที่ข้าพระองค์ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ข้าพระองค์เข้าถึงหลักความเป็นจริงด้วยจิตของของข้าพระองค์เองไม่จําเป็นจะต้องเชื่อพระองค์แล้วตอนนี้เชื่อจิตหรือสติปัญญาของข้าพระองค์เข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยตัวงตัวเราเองเนี่ยจิตของผู้เป็นพระสงฆ์าวานันเพราะฉะนั้น การถือศีลลูกคลํเอออันนั้นคลังอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนั้นวิเศษอันนั้นวิโสอะไรอย่างไงสิ่งเไรมันร่วงไปหมดเลยที่เรเรียกว่าถือศีลพรดศีลพลออรดถืออย่างนั้นจะคลังถืออย่างงี้จะคลังถืออะไรห้อยคอเต็มไปหมดมัดอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอ่าลักษณะเของศิลพตะประมาทแล้วก็สแสวงหาเออตรงนั้นจะคลังตรงนี้จะดีอย่างนั้นตรงนี้จะดีอย่างนี้สิง่งเไรร่วงไปหมดสิดส่งที่ยังหลงเหลืออยู่คืออะไรเหตุกับผล ของหลักสัจะธรรมสิ่งนี้นเข้าถึงใจระทึกถึงในหัวใจลงตาท่านว่าผู้ที่ท่านเข้าถึงหลักหลักเบื้องต้นอันนี้เหมือนบุคคลคนหนึ่งมีความเชื่อมั่นอย่างแนบแน่นมั่นคงถ้าเราจะใช้าาคําว่าศรัทธาก็อัจฉริศรัทธามันเป็นศรัทธาที่เหนียวแน่นมั่นคงบุรุษคนนี้เคยเข้าไปดื่มน้ําตรงนี้แต่น้ําตรงนี้ที่เคยดื่มเนี่ย มันมีจอกมีแหนปกคลุมอยูอ่แล้วก็พอไปจอกไปเจาะเวิร์ไปแวกจอกแหนออกเห็นน้ำใสสะอาดจืดสนิทบริสุทธิ์ก็อาบดื่มใช้สอยตามต้องการเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไปพอออกไปจอกแหนที่เคยเปิดจอกแหนที่เราเปิดไว้มันก็ฮุบฮุบคืนเหมือนเดิม มันเป็นการเข้ายัางถึงความสุขเป็นการเป็นคราวของพระสวสดาบัณฑ์แค่แค่นี้ไม่มีใครไปลบล้างได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเกิดอย่างมากไม่ เ, เกินเจดชาติบางคนได้พระสวสดาบัณในในขณะนั้นแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในในนั้นเพราะมันพัฒนาไปเรื่อยถ้าหากตายในอัตภาพนั้นเป็นพระสวสดาบัณเช่นอย่างนางพิสาขาเอ๋ยอนาถาบินทิกาเสษฐีเอ๋ยไม่ลงมาลบมนุษย์อีก จะไปเกิดในสวรรค์เกิดบนสวรรค์แล้วก็พัฒนาจิตของตัวเองแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นพระสกีตาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระฐานแล้วก็เข้าถึงนูน่นสุทาวาสโรมโลกถึงอัคนิทภพแล้วก็ร่วงไปเลยร่วงไปเลยเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วก็ร่วงไม่มีลมไม่มีใครไปเขย่าไปแล้วแหละยื้อพอถึงที่เต็มที่หลุดร่วงไปเลยนี่คือความจริงลองพยายามทําให้ถึงความจริงบ้าง พวกเราเวลาเรานั่งภาวนามีความจริงมาปรากฏเราก็มักจะไม่สู้เราก็ถอยแล้วความจริงอะไรทุกเขเวทนาลองดูซิทนดูซิอา้าวใครลองทนดูตรงนี้ได้คืนนี้เห็นกันแหละลองทนดูซินั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนลองดูเห็นเดี๋ยวนี้แหละเอาจิตมัดอยู่กับอันนี้แหละนี่เป็นสัจธรรมอย่างดูได้ไหมไม่เอาเราไปรองรับได้ไหม นี่คือเหตุคือปัจจัยของมันจากนั้นแล้วเราก็พยายามพิจารณาเหตุหาปัจจัยเอาแค่นี้พอละแค่นี้พอก่อนอ๋อมีอีกค่ะวันนี้หลวงตาสอนเรื่องกรรมนะคะก็เลยอยากจะทราบ ว, ว่าการทําพิธีตัดกรรมจะสามารถบรรเทาให้กรรมเราลดลงได้จริงหรือเปล่าคะคําว่าตัดกรรมคําว่าตัดกรรมเราตัดได้เฉพาะกรรมปัจจุบันกรรมอดีตเราตัดไม่ได้ ให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันกรรมอดีตเราทําไปแล้วมันเป็นผลไปแล้วถ้าคุณก้าวยังไม่พ้นจะต้องไปชดใช้กรรมเหล่านั้นมันมีกรรมหนึ่งที่เราผ่านไปไม่พ้นที่เขาเรียกว่าอนันตเรียกรรมเช่นอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายแล้วลงอาวจีรู่ไปเลยเนี่ยนี่คือกรรมอดีตเราทําไปแล้วเนี่ยตัดไม่ได้เราตัดได้เฉพาะกรรมปัจจุบันเช่นอย่างเรารู้ว่าเราฆ่าสัตว์นียเรารู้เราฆ่าสัตว์ เราผิดศีลด้วยเราผิดธรรมด้วยงดเว้นไม่ฆ่าอันนี้คือตัดกรรมตัดกรรมที่ว่าฆ่าสัตว์ตัดกรรมปัจจุบันอย่างนี้ฟังได้ไหมเข้าใจไหมให้ทุกคนไปตัดกรรมอย่างนี้ก็แล้วกันลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันใครเคยลักมาลักมาลักมาตั้งแต่อดีตเนี่ยตัดไม่ได้เพราะเราทําไปแล้วถ้าคุณถีบไม่พ้นตรงนี้กรรมเหล่านั้นจะมาสนองอไม่ช้าก็เร็ว แต่ถ้าเราเระลึกได้เราพยายามตัดกรรมในปัจจุบันถึงเราจะพยายามตัดกรรมในปัจจุบันได้กรรมอดีตที่มันรุนแรงมันก็จะตามเล่นงานได้เรายกตัวอย่างเช่นอย่างพระโมคคัลลานะฆ่าฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วเขาฆ่าตาย500อชาตินะมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านตัดสินใจปึ้งเดียวหนึ่งวินาทีเนี่ยฆ่าแม่หรือหรือสองสานาทีเนี่ยได้หาอะไรไป ตีแม่จนกว่าแม่จะตายสองสานาทีพอแม่ตายไปปุ๊บอนันตริยกรรมห้าร้อยชาติมันกี่นาทีฟังดูสิมันกี่นาทีพอเราก็ท่านมารลึกได้โอ้เราทำผิดไปแล้วในเมื่อท่า น, ท, น ท, ทำผิดไปแล้วท่านก็มาสร้างกรรมใหม่สร้างแต่กรรมดีดีงดเว้นกรรมแบบนั้นแต่เวลากรรมมันให้ผลท่านก็จะต้องถูกเขาฆ่าทุกพบทุกชาติว่า ง, งั้นเถอะจนกว่าจะได้หรอชาติ นี่ในขณะเดียวกันกรรมเก่ามันก็ตามให้ผลกรรมใหม่ท่านก็พัฒนาของท่านนี่เราจะเห็นว่าพวกเราทุกคนนี่ไม่เสียท่าเสียทีเรายังมีโอกาสด้วยกันทุกคนแม้แต่ใครจะทําเลวซามขนาดไหนก็ตามมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้กรรมแบบเก่าๆนั้นที่เราทําลงไปแล้วกรรมเก่าเราไม่สามารถจะทําได้เราตัดได้เฉพาะกรรมใหม่คือตัดไม่ทําความหมายก็คือไม่ทํานี่คือตัดกรรม ตัดกรรมอย่างนี้ได้ผลร้อยอร์เซ า, าถ้าตัดกรรมอดีตโอ้ยคนที่มีกรรมนะจะถูกฆ่าจะถูกจะตาคาอ า, งงาอย่างนั้นคาาอย่างนี้ฆ่านี่ไปสู้วัดอะไรก็ตามกรรมมันกำลังจะงับอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนตัวเองหมดแรงแล้วเหมือวลเนื้อมันหมดแรงสุนัขก็ไก่ไกงับเอ๋จะไปตัดอะไรได้มันไม่ใช่เรื่องของกรรมใหม่มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าให้ผลอย่างนั้นพระโมคคัลลานะท่านยังหนีพ้นท่านก็ยังหนีไม่พ้นกรรมเก่ามันยังตามเล่นงานอยู่ พระองค์ได้เป็นพระสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชด้วยซ้าไปเห็นไหมโจรขโมยมันมันไปไปแอบฆ่าครั้งครั้งแรกสาเหตุเขาฆ่านะี่ยเพราะว่าท่านไปสวรรค์ได้ท่านไปนรกได้ท่านเอาอันนั้นมนเาเล่าให้ชาบ้านฟังชาวบ้านเรื่อมใสศรัทธาพวกไอ้นอกศาสนาเขาก็เลือกเสื่อมลาภสการะนี่แหละพระองค์นี่แหละพระองค์นี้แหละทาให้เราเสื่อมลาภสการะเขาเลยจ้างคนมาฆ่าพอมาครั้งแรกท่านกบบโอ้ ท่านก็หออกฐาหน้าต่างไปก็ท่านมีฤทธิ์เนี่ยพอมาครั้งที่สองท่านก็เหาะออกฐานหน้าต่างไปก็ทําอะไรท่านไม่ได้มาครั้งที่สามอีกก็กรรมมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยพอมาครั้งที่สามอีกมาระลึกได้โอ้เออกรรมกรรมของเรากรรมของเราเอเอเอาช่างมันเถอะท่านก็เข้าฌานสมาบัติตอนนั้นเลยเข้าสมาธิมันก็มาตียันแหลกหมดเลยคิดว่าตายละละไปทิ้งที่โทนไม้ พอได้กําหนดระยะเวลาท่านก็ออกจากฌานมาก็เยียวยาด้วยฌานสมาบัติของตัวเองก็เป็นปกติธรรมดาเนี่ยก็ ไ, ไปล า, ไลาพระพุทธเจ้าลาพระพุทธเจ้าตายลาพระพุทธเจ้าวรรณะผ่านเนี่ยตัดได้แต่กรรมใหม่กรรมเก่าตัดไม่ได้อ้าพอแล้วเข้าใจละอ้าเหลืออีกกี่รลน์ฮะขอโอกาสลงตางตครับจะเอาไปจนถึงสามทุ่มเหรออ้าเอ า, เอาได้เลย ครับคำถามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องไปทานข้าวอีเด้ครับ <c oughs> ขอโอกาสหลวงตาคำถามสุดท้ายนะครับ <c oughs> คือว่าถ้าหากว่าเราทำบุญแทนพ่อแม่หรือว่าพี่น้อง <c oughs> เพื่อนร่วมงานโดยที่ว่าเราอาจจะทำบุญโดยอาจจะเป็นปัจจัยหรือว่าการกระทําอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเรา <c oughs> และพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนร่วมงานของเรา <c oughs> เขาจะได้รับอานิสงส์ยังไงครับ เราทํายังไงเราก็บอกให้ท่านทราบแล้วก็ท่านท่านก็ต้องมีจิตน้อมอนโมทนาเอาถ้าบอกแล้วก็เฉยท่านก็ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สามีภรรยาใช้รัพย์กระเป๋าเดียวกันเนี่ยเมียไปใจยายจ่ายมาทำบุญถวายทานหมดเท่านั้นทน่านนี้ผัวเนี่ยมึงตึงไม่รับอะไรสักเม็ดเลยผัวไม่ได้สักเม็ดทายเม็ดเดียวก็ไม่ได้แม้จะเป็นทรัพย์เจ้าของหามาได้เองเนี่ยไม่ได้เพราะไม่เปิดใจรับเอา ต้องอ่นานโฆษณาสาตุเออเธอไปทำมาดีแล้วสาตุสามีไปทําบุญมาไปงานอะไรก็ตามเออเรามีปจัจจัยเท่านี้เราไปทําบุญมาแล้วอย่างนี้แต่อยากไป ก, ก็โขก็แล้วกันนะพูดข้อจริงบางทีไปเที่ยวอีสาวมาแล้วไปก็โขผัวนี่นี่ก็ยิ่งบาปเข้าไปอีก <c oughs> ไม่ได้เออ เธออนันโมศนากับเรานะโอ้วันนี้เราได้ไปวัดนั้นนะไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นได้ทําบุญเท่านั้นเท่านั้นโอ้ห้าเหลื่อมใ ส, ส่ศรัทธาอันโมศนาด้วยกันนะจ้าทุกแต่ขอเตือนอย่างหนึ่งว่าเราอย่าไปคอยรับประทานแ ต, แต่แต่บุญสาทุก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อย่าไปคอยรับประทานแต่บุญสาธุก็แล้วกันให้ทําด้วยเรี่ยวแรงของเราเพราะเราทําด้วยมันตกเป็นวิบากกรรมของเรา มันเป็นสมบัติของเราคนอื่นคนอื่นเนี่ยเราจะให้ก็ได้เขาเราไม่ให้ก็ไม่ได้แต่เราทําบุญเราเผื่อแผ่ได้เราอุทิศให้ได้อุทิศถึงพ่อถึงแม่ที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ได้ที่ล่วงล่วงรับไปแล้วก็ได้ถ้าท่านท่านอยู่ในฐานะที่จะรับได้ท่านก็นมาอนุโมทนาสาธุท่านก็นรับได้ก็มีตัวอย่างเช่นอย่างเปรตพระเจ้าพีพิสารเนี่ยพระเจ้าพีพิสารเนี่ยถวายถวายวัดเวโรวันแต่ญาติของท่านเคยเป็นเปรต เคยทำไม่ดีแล้วเป็นเปรตยังเป็นเปรตอยู่ยังไปไหนไม่ได้อคอยพระเจ้าองค์นั้นว่าจะมีญาติทําบุญให้ก็ยังไม่มีจนถึงพระเจ้าองค์นี้คอยญาติจะทําบุญให้ก็ยังไม่มีมาถึงพระเจ้าองค์นี้อีกอ้าวพระเจ้าพิมพิสารก็ยังไม่ได้ทําบุญให้อีกเปรตเหล่านี้ก็เลยแสดงให้ปรากฏเป็นที่น่ากลัวก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารโอ้จะเป็นใครก็เป็นญาติของพระองค์นี่แหละที่เขาทุกข์ยากลําบาก ปัญาพิพิสารก็เลยพยายามทําบุญและอุทิศส่วนบุญไปให้กับเปรตชนเหล่านี้พออุทิศส่วนบุญที่ทำที่ทําไปให้เปรตเหล่านี้ก็ได้อนุโมทนารับเอาบุญถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่ได้นะอุทิศให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นแล้วก็ในที่สุด่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสับประศัพท์ท yes. ั ras, es, ้งหลายเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเออเออสัระศัตว์ทั้งหลายเราไปสับประศัพท์ทั้งหลายเราไม่ใช่ญาติของเขา เราก็มีสวนได้ด้วยเขาพอได้อยู่ได้กินได้อะไรไปกับเขาเรามาเทียบดูกับความเป็นอยู่ของคนในโลกมนุษย์เรามันก็ลักษณะเช่นนั้นเช่นอย่างบางแห่งเขาแจกทานแบบไม่เลือกนะไม่ใช่เฉพา ะ, พะเจ้าประสงค์นะคนทั่วๆไปเขาก็แจกตามรองทานที่เขาแจกทั่วๆไปนะคนที่หิวก็หาอยู่ตอนนั้นก็ปลอยได้อยู่ได้กินไม่ใช่จะได้เฉพาะพระเจ้าประสงค์พระเจ้าพิมพิสารก็เลยอุทิศให้เปรต เ, เหล่านั้นเยกัน อนุโมทนาสาธุพ้นจากความทุกข์ยากลาบากเปลี่ยนหมดภพภูมิเครื่องแต่งตัวอะไรประดับประดาอลังการเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าเลยเนรมิตรให้เปรตเหล่านั้นให้เป็นที่ไปจับ ก, กับพระยาพิมพิสารเห็นว่าญาติเหล่านั้นพ้นทุกข์พ้นโทษไปแล้วอันนี้คือตำนานตำนานที่ท่านเล่าให้ฟังว่าอุทิศส่วนบุญไปแล้วยาติที่เป็นเปรตชนนั้นมาอนุโมทนาหนึ่งเราต้องทําบุญสองทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ บุญที่เราทําทั้งหมดนี้เป็นของเราคนเดียวเราอุทิศบุญทั้งหมดที่เรามีเนี่ยให้แก่คนนั้นก็นั้นรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทรัพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็อุทิศไปคนเป็นเราก็อุทิศไปได้คนตายเราก็อุทิศไปได้อ่อุทิศไปได้เท่านั้นแหละการที่เราอุทิศไปเราได้บุญเพิ่มอีกเท่าตัวเรามาฟังดูดิเออแบบนี้นหน้าอุทิศเพราะฉะนั้นทุกคนเขาอยากได้บุญเพิ่มอีกทำบุญแล้วเขาก็อุทิศไปผู้ที่มาอ่านโมทนาท่านก็ปล่อยได้รับไป ไม่อนุโมทนาเช่นอย่างท่านไปเป็นเทวดาแล้วท่านมีความสุขแล้วไม่โมทนาท่านจะรับก็ตามไม่รับก็าตา ม, มาอนุโมทนาก็ตามไม่มาอนุโมทนาก็ตามบุญของเราก็เท่าเดิมได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะจิตเราเผื่อแผ่เห็นไหมนี่คื อ, ค, อคือความเผื่อแผ่ของจิตการอนุโมทนาบุญได้รับประโยชน์อย่าง น, นี้คนที่ยังไม่ตายก็ได้รับบุญกันนี่เขาเล่าถึงอะไรน่ยตั้งแตส่สมัยสงครามเวียดนามเนี่ย เขาไปรบอยู Vietnam, left, able, to Japan, to offs, ่ที่เวียดนามถูกถูกไอถูกไอเวียดนามมันจับให้ขังไว้ไปเป็นทหารของอเมริกาน่ยไปเป็นทหารของอเมริกาที่มันถูกเวียดนามจับขังไว้ขังให้เป็นให้ตายแท้ๆแหละแต่ยังไงไม่รู้น่ะรัฐบาลไปตกลงโปรงใจอะไรยังไงยังไงกันไม่รู้เขาถึงได้ปล่อยมาปล่อยมาเลยได้ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าปรากฏว่าเขาอิ่มเออได้กลิน่นธูปกลิน่นลายตะลายแล้ก็ฝันเห็นญาติพี่น้องทําบุญอุทิศไปให้แล้ววันนั้นเขาอิ่มเออเต็มไปหมดทีนพอมาเล่าถึงมล่ายาติทังบ้านฟังเนี่ยเขาว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆ น, ะนี่หมายความว่าคนเป็นก็สามารถรับได้เพราะฉะนั้นความดีทําไปแล้วเราต้องแผ่บุญไปแจก คนเป็นเราก็แผลไปคนตายเราก็แผลไปสรสัท์ทั้งหลายทั้งปวงเจ้า ก, กรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเราก็แผ่ไปการแผ่ไปนั้นทำให้เราได้บุญเพิ่มอีกให้พวกเรารู้จักเผื่อแผ่กันอย่างนี้เราจะได้มีความสุขมีความเจริญด้วยกันเอาอีกหรือหมดแล้วหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาอ่ะเวลานั้นนาฬิกานั้นทำไมไม่ไปอ่ะโอ้ไปจนเลยแล้ว จะเลยสามทุ่มเนะเอพอสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้พวกเราเสียสละเวลามาได้ทําบัดรได้สวดมนต์ได้นั่งภาวนาได้ฟังเทศได้ฟังข้อคล้องใจอา่าแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์อานิสงส์ส่วนนี้ขอให้ช่วยอวยชัยให้พอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วนากันเอามาีอะไรอีกเ่ะอ้าขอขมาขอขมา ขอเ้ามาส่งหมดเบื่อก็ได้ทุท่านหนขอเข้ามาองหลวงปูพ่พร้มพอมกันนะครับว <c oughs> ่านโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะหะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุ p a ามหาปามาเทนะข้าวะรตเยนะกัตังสะพ p a อะปารังค m ม t ตุโนพันเต สังเคปมาเทนอาวารตเยนกตังสัพพังอปาราังคาตุโนพังเบสังเคปมาเทนา ตัวเราันเดอาเดี๋ยวเปล่าวรับแทนหมูคณะนะ <c oughs> หังขมามิตุมแห่หิปิเมคบิตตับบัง เอวังหตุเอวังหตุโ ย, ยจะปุกเบปมัชชิตวารประาชาโซะปมัชิโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกระตังกรมมังปุสเลนะิยติโซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวจันติมาอภิวานณสีริสนิจังพุท ธ, ธาปจายโนจตารโรธรมาวันันติอายุวนโนสุขังภาลังอาุ โอ้วันนี้สามชั่วโมงนะตั้งแต่6กโมงมานี่ท่านเตรียมตัวาอากาศองปู่พร้อมกันนะครับ อ, บอเสร็จแล้วท่านี้ใครมีทรนละอะไรก็ได้อย่าลืมไปภาวนาด้วยรักษาศีลด้วย <c oughs> พุ่งพรุ่งนี้เช้านะครับเวลาเจดโมงนะครับก็ใส่บาตนะครับ <c oughs> บริเวณด้านหน้าสารานะครับ เชา้าเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับท่านท่านเจ้า ค, คุณเราก็มาให้กำลังใจทุกครั้งเลยนะอนโมทนากับทุกท่านะนะท่านเจ้า ค, คุณเราเจ้าคณะจังหวัดนะไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> พาสวดมาพามานาพวกเราสวดมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ก็จ ะ, จะดึงให้พวกเราเข้าศีลเข้าธรรมเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองเราจะน่าให้พวกเราถือประพฤติปฏิบัติได้ยินใน้ฟังงไงก็ไปทำนะมีข้องใจเรื่องอะรเรื่องธรรมเรื่องอะไรก็ท่านอยู่ใกล้ใกก็ไปกราบท่านอ้าวจบแล้วเนะาะทีนี่อ้าดึง มีความสำคัญไปทุกระยะทุกระยะทุกขั้นตอนไปจนวิมุตติหลุดพ้นความกล้าแข็งของจิตความกล้าแข็งของจิตผู้อยู่ในภูมิปโสรดาบันผู้อยู่ในภูมิพระสกีทาคาพระอนาคาแล ะ, ะพระอนาคาามันจะมีความละเอียดของใจแตกต่างกัน แต่เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงอริยสัจสี่นั่นแหะต่างคนต่างตรองเข้าหาเหตุผลของตัวเองโดยเหตุที่ใจระดับใจมันแตกต่างกันปัญญามันก็จะแตกต่างกันเช่นอย่างคนนี้ผ่านมาแล้วชั้นหนึ่งกำลังอยู่ขั้นสองคนนี้ผ่านมาแล้วขั้นสองกำลังอยู่ขั้น3ามจนกว่าจะได้อรหัธตธรรมะมันก็ต่อเนื่องไปจนสุดนั่นแหละภาวนามยยะปัญญา คือปัญญามันเกิดขึ้นจากการที่เราเที่ยว oh. เหมือนอย่าเราถูไม้เกิดไฟนี่ถูแล้วมันควันควันออกแล้วมันเป็นถ่านดำดำแล้วถ่านแดงแดงแล้วเนี่ยทำไมาถึงตอนนี้ถ้าเผื่อเราหยุดปัญญาตอนนี้มันก็จะชะงักไปด้วยที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าสู้ตายสู้ตายสู้ตา ย, ตา ย, ตายเหลือเด่นตายเหลือเด่นตายตรง น, นี้แหละนัะ่นแหะภาวนาปัญญ า, ญญาจนกว่าจนกว่า เลยปัญญาไปเขาเรียกว่าญานมียานแล้วมึงก็จะมีญานทัศนะอีกคือคือคืออ่าคื อ, คอเป็นญานแล้วก็มียานปัญญาญานยานทัศนนะ์อ่ายานทัศน์ก็คือมีความรู้มีความเห็นมีมีมียานบอก มีญาตบอกว่าเจ้ของเนะี่พ้นแล้วหลุดแล้วพ้นคันนี้แล้วพ้นคันนี้แล้วพ้นคันนี้แล้วแต่อย่างที่หลวงตาท่านว่าอาจารย์สิงทองท่านไม่มีขณะหรือจะเป็นอย่างนั้นก็มีท่านก็เลยท่านเคยพูดให้พวกเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ลวงตาเนี่ยท่านท่านมีขณะแม้แม่แต่ขนานั่นะขนาขณะดพระอนาคามีท่านก็ยังเขาท่านยังไม่แน่ใจ ท่านพิจรารณาถึงกรารมรดคา์พิจารณาไปพิจารณาไปโดยเหตุที่ว่าสัญญาสัญญามันเหนียวแน่นมัน่นคงมันไม่ใช่ปัญญาแท้มันยังเป็นสัญญาอยู่ตั้งยังไงเป็นอยังงั้นดูยังไงเป็นอย่างงั้นทํ า, าทลายยังไงก็เป็นอย่างงั้นสิ่งเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่มันยังไม่มีขณะบอกว่าหมดไปแล้วท่านไม่ยอมใช่ไหมท่านไม่ยอมนี่วิธีการของท่านพเราก็จับวิธีนี้มาทําขั้นไหนก็ตามระดับไหนก็ตาม เราจะไม่ปลงใจเชื่อโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีสิ่งนี้โผล่ขึ้นมามเวลาเวลาท่านทำท่านก็เทียบแล้วเทียบอีกเทียบแล้วที่อที่แล้วคือไม่ยอมหยุดหยุดไม่ได้ถ้าจะถ้าจะเทียบกับมันก็ว่าถูไฟมันออกเขาเ่าดําำแล้วออกควันแล้วออกถ่านแดงแดงแล้วอะไรแล้วเนี่ยยังไม่ได้เปาปากไปเป่ายังไม่ได้เปลว ไ, ไ, ไ, ไฟใช้คือมันยังไม่ติดที่แท้จริงคือญาณทัศนะมันยังไม่เกิด อาจจะเกิดแต่ปัญญาเพื่อ น, น, นธรรมดานะคำวาญาทัศนะก็คือความรู้วิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นการมาตัดสินว่าอันนี้ถูกต้องดีงามอย่างนี้นี่ปัญญาสุตตามยะปัญญาก็หนุนมาเพื่อจินตามะยะปัญญาจินตามะยะปัญญาก็หนุนมาเพื่อภาวนามยปัญญาภาวนามยะปัญญาถ้าเราจะเทียบกับเหมือนทําอย่างเงี้ยไม่ปล่อย ทำคบเขี้ยวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ปล่อยจนกว่าจะสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาสิ่งที่โผล่ขึ้นมานั้นไปจักชัดเจนหมดความสงสัยเชื่อเต็มร้อยในตัวเองมันมันจะมีบอกมันจะมีบอกในตัวก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละ ย, ย, ย, ย, ยึดไม่ได้เ ป, เป็นภาวนามยปัญญา แต่มันอาจจะยังไม่เกิดปัญญายานก็ได้มันคือผลผลอันหนึ่งยังไม่โผล่ขึ้นมาเป็นเครื่องถัดสินแต่แต่ก็เป็นภาวนามันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาคำว่าภาวนานะท่านแปลว่าทำทำจนมีทำจนเป็นทำจนได้ทำจนมีทำจนเป็นทำจนได้ทำจนมีต้องเป็นเทรีย่ยวภาวนา ทำอย่างยิ่งยวดทำซ้ำๆทางอย่างยิ่งยวดทำจนได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เจริญสมาธิกี่วันกี่เดือนกี่ปีพบนี้ตั้งพบไม่ได้ก็คือไม่ได้อ่าไอ้ผู้ที่ท่านได้ท่านได้ง่ายๆแต่พูดที่ไม่ได้ก็รู้สึกยากเหลือเกินแต่ไม่ถอยไม่ถอยสักวันหนึ่งเราจะอือเราแล้วหนออืมเราแล้วหนออ๋อออออเราแล้วหนอ <laughs> เราแล้วหนอ ดูแต่ร uh, <inter Hob bies> ู <rinse vé> ้ตาท่านอุทานน้ำตาหลาน้ำตาร่วงกันไว้เราพูดตามท่านเกณฑ์ปฏิบัติที่เราไม่ข้องใจไม่สงสัยในตัวเราเองท่านคุณจะกลับได้แล้ว สบาเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นเครื่องทดสอบตัวเองพุทธเจ้าท่านให้เทียบให้เทียบกับให้เทียบกับไปทูม้าให้เกิดไฟทูม้ให้เกิดไฟถูม้ให้เกิดไฟท่านเปรียบเทียบเป็นบุตรสี่จำพวกขอบคุณท่านเจ้คุณอนันโมชนาด้วยกับมาให้กําลังใจลูกศิษย์ลูกหา เจา้าคณะจังหวัดนะไม่ใช่มาง่ายๆนะอะสาธุแล้วพวนี้เพื่นไม่ได้มาฉันด้วยอ๋อไปไหนไปจะไปไปฉันที่เจ้าท่านประสงค์ดิบันใต้บันใต้ไปฉันที่จาําประสงค์บันใต้ใตใตครับงั้นผมก็มีหมู่ฉันเป็นสององค์นี่แหละหรือหรือมีใครจะมาไหมที่วัดอ่ะมีไหมมีไหมจะมีใครมาไหม ไม่มีแล้วอ่าไม่มีแล้วก็บินบาดฉันจ้ององเนี่ยแหละก็ไม่ก็ไม่เป็นไรไปขอบคุณขอบคุณเนี่ยด็อกเตอร์เพื่นยังสนทนาอยู่ที่ไหนอดีดีดีละดีแล้วโอ้สามร้อยกว่าคนสองกลุ่ม เอาเลยแหละเ อ, เอาเต็มที่เลยนังมีเวลาอยู่หร อ, อฟังไหมฟังไหม เ, เกณฑ์ปฏิบัติที่เราตรวจสอบตัวเองได้ท่านบอกว่าเปรียบด้วยบรุษัสี่จำพวก จำพวกหนึ่งมีกายและใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรอย่างยิ่งยวดก็เหนื่อยเปล่าจำพวกที่สองมีกายออกจากกามแล้วแต่ใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าจำพวกที่ส า, ารู้หมด อริยมรรคมีองค์แปอริยสัจสี่อะไรแตไรแล้วก็ข้อปฏิบัติพุทโธพุทโธสัมมาระหังก็แล้วแต่พิจารณาอันนี้จังทุกขังกัมตาทำได้หมดแต่ทําำทำแล้วก็หยุดทําำทแล้วก็หยุดจะประเภทที่สทําอย่างต่อเนื่องทำทำทำอย่างต่อเนื่องรู้ข้อปฏิบัติอย่างยิ่งยวดทําต่อเนื่องจนจน จนถูอย่างต่อเนื่องจนได้ไฟถูทําอย่างต่อเนื่องจนได้อะไรทําบุคคลประเภทหนึ่งมีกายยังไม่ออกจากกามหมายความว่ายังเป็นคราวาสครุกคลีกับผัวกับเมียกับลกูกกับเต้ากับอะไรแต่เไรมีกายยังครองเรือนอยู่ยังไม่ออกจากกามด้วยและก็มีใจนึกคิดแต่เรื่องกามด้วยเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ํา บุรุษต้องการไฟเอาไปซีอะไรมันจะเกิดไฟได้เพราะน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันทั้ว่ า, า ง, งั้นน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์กันเหนื่อยเปล่าแต่คําว่าเหนื่อยเปล่าในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีวิบากกรรมนะวิบากกรรมเหล่านั้นก็สั่งสมนะมันก็เริ่มสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยพอถึงขั้นถึงที่มันก็จะขยับตัวของมันได้มีเป็นบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองมีกายออกจากกามแล้ว แต่ใจยังไม่ออกจากกามคือกายออกไปอยู่วัดแล้วไปบวชเป็นพระไปบวชเป็นเทนเป็นชีอยู่ที่วัดแล้วแต่จิตนึกถต่เรื่องกามเหมือนลุงตาลหนึงที่อยู่ที่ตีนเขาหลวงปู่มันธนวานะทาสารกาะนั่งปรุงแตเรื่องกามหมดทั้งคืนนะจะลุงตาลหลวงปู่มันทำทักละอายหนีไปเลยนั่นคือบวชแล้วแต่จิตนึกถต่เรื่องกาม บุคคลประเภทที่สองมีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยางถึงแม้ว่าจะอยู่บนบกก็ตามยังไม่ใช่อยู่ในน้ำก็ตามอามาสีให้เกิดไฟก็จะเกิดไฟได้ยากทำความเพียรมีใจยังไม่ออกจากกามทำความเพียรเน็ตเหนื่อยเปล่าทำไม่ก้าวหน้าทีนี้เรามามีข้อปลีกแยกอยู่ว่า เรามีกายยังไม่ออกจากกามนี่แหละแต่เราพยายามเอาจิตออกจากกามได้ไหมเราทำได้เช่นอย่างพวกเราเป็นคาราวาสนี่แหละเราสามารถทำจิตให้ได้รับความสงบเพราะจิตที่สงบเป็นจิตที่ออกจากกามไม่คิดเรื่องรูปรูปนี่เป็นกามนะไม่คิดเรื่องเสียงเสียงเป็นกามกลิ่นรสสัมผัสทิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกามความน้อมนึกในใจเป็นสัญญาอารมณ์ก็เป็นเรื่องของกาม ก็เป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของกามในเมื่อเราเป็นคารวาสแต่เราพยายามทําใจให้ได้รับความสงบไม่นึกไม่คิดเรื่องของกามจิตสงบคือห่างจากกามเพราะจิตห่างจากพราจิตห่างจากกามจิตห่างจากกามเสร็จแล้วจะต้องทําความเพียรอย่างยิ่งยวดเปรียบเปรียบเป็นเสมือนว่าไม่ใช่ไม้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้สด ไม่ใช่ไม้สดไม่ใช่ไม้ชุ่มโดยยางเพราะสามารถทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วถ้าเปลี่ยนเสมือนไม้ก็คือไม้แห้งไม้แห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปเสีให้เกิดไฟไม้มันแห้งแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปเสีให้เกิดไฟเพราะฉะนั้นบุรุษที่สามีกายมีกายเอ่อบุตรที่2มีกายยังไม่ออกจากกามถ้ามีกายยังไม่ออกจากกามแต่สามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหม เอาออกได้ด้วยการภาวนาให้จิตสงบนี่แหล mm hmm. ะกรเหมือนครูบาอาจารย์ของเราบางองค์ท่านเป็นพระสวสดาบาลตั้งแต่เป็นคารวะ mm hmm. เราเคยได้ยินเขาเล่ากันน่ยบางองค์ mm hmm. แล้วก็ผู้ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่อยู่เป็นคารวะ mm hmm. มากมายเยอะแยะสมัยพุทธกาลเนี่ยเช่ hmm. นอย่างพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยทั้งก็ทั้งก็อยู่คลองเรือนนั่นแหละแต่บำเพ็ญจนได้เป็นพระทหาร mm hmm. อย่างพระพายะเนี่ยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยังไม่ได้บวช ยศกุลบุตรนี่ได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชนี่คือคือกายกายยังไม่ออกจากกามแต่ว่าจิตมันออกจากกามได้เมื่อจิตเราออกจากกามได้เราสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้หมายความว่าเราเอาไม้แห้งไม้แห้งอยู่บนบกแล้วก็สามารถเอาไปเสียเกิดไฟถ้าเราสีไปสีไปสีไปสีไปร้อนขึ้นมาแล้วเราก็หยุดพอเราหยุดไฟมันก็เริ่มเย็นไปแล้ว คิดได้อีกถูอีกทุ้อทุ้นื้อจะหยุดก็เ <c> ห <oughs> มือนพวกเราทำหยุดทำหยุดนั่นแหละฟังไม่ยากเลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือบุรุษที่สามเราก็ไม่ได้ใยใช้ทีนี้บุรุษที่4ี่ก็คือบูรุษที่ต่อเนื่องจากบุรุษที่สามนั่นแหละนะรู้วิธีการทําทุกอย่างให้ถูกสมถะเอววิปัสสนาเอยทำไป เ, เรื่อยๆทาอย่างต่อเนื่องรู้รู้สึกว่าทำไปจน ถึงที่สุดรู้สึกโอ้เริ่มเป็นควันขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นขาเหมวดําๆขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นฐานแดงๆขึ้นมาแล้วไม่หยุดนะแต่พอถึงตอนนี้ฐานแดงๆขึ้นมาแล้วนะ่ะยังไม่ได้เอาปากเป่าเนี่ยมันไม่ได้เปลวไฟใช้นะต้องเอาปากเป่าถึงจะคุกขึ้นมาได้เปลวไฟใช้สเสมอหยุดนะ่ะไอแดงๆนันก็หายไปแล้วใช่ไหมนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านเทียบว่าเดินเดินตายเดินตายตรงนี้ ไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้เอาจนนั่น่ะไม่ได้ให้ตายนี่ทีสวัสดีเด่นตายเด่นตายตรงนี้พุทธเจ้าท่านเอาเด่นตายเด่นตายตรงนี้พวกเอาปากเป่าพวกแดงๆเอาปากเป่าฟุก ข, ขึ้นมาเอาที่ฟุง้งที้ฝอยอะไรใส่ก็ได้ใยใช้นี่เราสามารถมาประเมินที่ตัวของเราว่าเราเป็นบุรุษที่หนึ่งหรือเปล่าไม้สดชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ําหรือเปล่า เราเป็นบรษที่2ไม้สดชุ่มด้ียางเปรียเหมือนไม้สดชุ่มดียางบุรุษที่3ามเหมือนไม้แห้งนั่นแหละแต่ทำหยุดทำหยุดทำหยุดสีหยุดสีหยุดสีหยุดแต่บุคคลที่4ี่จะไม่สงสัยตัวเองเพราะทำต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆมุ่งหวังเต็มที่ต้องได้ต้องได้ต้องเอาต้องเอาต้องได้ต้องได้ต้องเอาต้องเอาเอาจนได้ในที่สุดก็ได้อันนี้คือเกณฑ์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราพิจารณาตามนี้แล้วเราก็ไม่สงสัยตัวเรา เพียงแต่เราจะปรับมาเองเท่านั้นเองปรับจากบุรุษที่หนึ่งให้เป็นบุรุษที่สองบุรุษที่สองจิตยังไม่ออกจากกามแต่เรามาปรับให้เป็นว่าจิตกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามเราก็มาปรับให้จิตออกจากกามเราเป็นคารวะนี่แหละแต่เราพยายามปรับจิตออกจากกามคือทําจิตให้ได้รับความสงบเพราะจิตมันเริ่มสงบมันเป็นบาดเป็นฐานมันสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้นะ ถ้าจิตไม่สงบแล้วมันมันผ่านไปยากวันวันทั้งวันทั้งคืนนึกเรื่องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกถึงแต่อารมณ์ของกามถ้าถ้าจะเปลี่ยนความันก็เป็นน้ําต้องการสีไม้เกิดไฟแต่น้ํายังชุ่มอยู่มันจะเกิดได้ยังไงแต่เราไม่ปฏิเสธวิบากกรรมแม้แต่ไม้สดที่เราเอาไปสีกันเราสีไปม้ก็จะมีแรงเสียดสีทําให้เกิดเหือดไปแห้งไปอะไรไปแต่มันจะโอกาสที่มันจะติดมันติดยากอ่ นี้ผู้ที่ทำใจให้สงบได้เนี่ยคราวาดอยู่บ้านก็สามารถทำใจให้สงบได้อยู่วัดก็ทําใจให้สงบได้อยู่วัดถ้าไม่ทำใจให้สงบแต่ผู้อยู่บ้านทำใจให้สงบก็จะเสียเปรียบผู้อยู่บ้านเหมือนกันนะผู้อยู่บ้านแต่สามารถทําใจให้สงบได้ได้เปรียบผู้ที่อยู่วัดแล้วไม่ไม่สามารถจะจะทำิจให้ได้รับความสงบได้อันนี้เรามาเทียบเพื่อให้ได้กําลังใจว่าทุกคนมีโอกาส ที่สามารถจะทําได้ด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเรี่ยวแรงเสียดสีกับตะปะธรรมนี่แหล ะ, ะตบะธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญตะปะธรรมประทานเราไปดูในความเพียรองค์ความเพียรคือสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนะเราทิ้งหลักไม่ได้พราะเราเนี่ยทิ้งหลักไม่ได้ทิ้งหลักแล้ะเขวครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศให้เราฟังเนี่ยท่านไม่ท่านไม่บอกชื่อหลักท่านไม่บอกชื่อหลักแต่ท่านพูดในหลักนะ แต่ท่านไม่บอกอสังวรประธานประธ า, านอะไรท่านไม่ว่าอย่างนี้แต่ท่านว่า ด, ด้วยกิริยาที่ท่านพูดไปเลยทำไปเลยก็เหมือนอย่างลุงตานะลุงตาท่านป .3 น, นักทำเองไม่ใช่ธรรมดานะแต่เวลาท่านพูดท่านไม่เอาหลักนี้มาอ้างแต่ท่านพูดในหลักนี้แหละท่านไม่พูดไปไหนหลยเช่น อ, อย่างสังวรประทานสังวรประทานคือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในชั้นดาน สังวรประทานประธานประทานเพียงละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วออกจากสันดานสังวรไม่ให้เกิดไม่ให้อันใหม่เกิดอันเก่าที่มีอยู่แล้วพยายามละอันใหม่พยายามปกป้องไม่ให้เกิดทีนี้ไอ้กิริยาปกป้องมันก็เข้ากับกับกิริยาที่ว่าภาวนาประทานภาวนาประทานก็คือพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่เราทําพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี้มันก็เป็นสังวรประทานไปในตัว มันก็เป็นประหารประทานไปในตัวคือในเมื่อของใหม่ไม่เกิดโอกาสที่เราจะประหารของใหม่มันก็เป็นผลไปด้วยกันแม้แต่ของเก่าที่มีมันก็จะเริ่มเริ่มเดือดร้อนเราจะปสิเสธได้ยังไงในเมื่อมันมีรากมีเง่าอยู่ในดินแต่มันต้นมันโผล่ขึ้นมายอดมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปเด็ดออกอ่ามันต้นมันโผล่ขึ้นมาเราก็ไปฟันออกฟันออกฟันออกหรือเอาไฟไปใส่บนนั้นลองดูดู มันก็ไม่ลุกลามไปจนถึงต้นต่อข้า ง, งล่างมันแตกหมดโดยกิริยาของความภาคเพียรมันก็ทําให้เหือดแห้งเผาผลาญอยู่ในภายในที่ท่านเรียกว่าตะปะธรรมตะปะธรรม น, นี่มันเป็นตะปะธรรมสังวรประท า, านประธานประทานภาวนาประทานอย่างเดียวเนี่ยมันได้สังวรประทานก็ได้ประธานประทานก็ได้ที น, นี้อนุรักษณาประทานของเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วที่เป็นกุศลท่านให้รักษาเอาไว้ เคยตั้งใจรักษาศีลมาด้วยระดับใดระดับหนึ่งแม้ศีลห้าไม่เคยให้ขาด่างั้นรักษาระดับนี้เอาไว้นี่รักษาไว้อนุรักษณาประทานเคยเจริญสมาธิมาได้ระดับหนึ่งอ า, อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างครับพยายามอยู่นั้นไม่ปล่อยพยายามรักษาของเดิมเอาไว้แล้วก็ธรรมะที่เคยพิจารณาจากการย่ายีพิจารณาย่ำไปย่ำ ม, มาย่ำ ม, มาย่ำไปจากของ เ, เก่าๆนะั่นแหละเดี๋ยวก็โผล่ได้ของใหม่ขึ้นมา นี่เป็นอนุอนรักษ์นาประทานเราดูธรรมะทั้งสี่ข้อนีไม่ขัดกันเลยอันนี้คือความเพียรกิริยาของความเพียรความเพียรในนี้มันเป็นกิริยาในในในอริยมรรคมีองค์แปนะในอริยมรรคมีองค์แปดเราฟังได้ว่าทำความเพียรทำาิทำยังไงทำไงทาไ ง, ไงเราก็ไม่ต้องสงสัยระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็บาปที่เคยทำแล้วมีแล้วเคยผ่านมาแล้วให้ละให้เว้น ให้ละให้เว้นประหารประหารคือพยาพยามละพยายามละท่านี้อนุสัยกิเลสหัวใจของเราจะพยายามละเ ร, เราจะละได้ยังไงท่านจึงให้ขุดคุยลงตานะว่ า, ต, าต้องขุดต้องคุยต้องพลิกต้องหาต้องหาเงื่อนหาอะไรเพื่อที่จะหาที่จำแลกจำแลกแจกให้มันกระจัดกระจายไปนี่นี่คือคือของเก่าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาผล นะเพราะตัวผลนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายของเรานี่เป็นตัวผลเป็นตัวทุกข์อย่างในหลักอริยสัจ4ีท่านบอกว่าให้กําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทยัยล่งตาล่งตาท่านสอนให้กําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนไปดูสมุทยัยสมุทัยมันมันเกิดที่จิตกําหนดดูทุกข์คือดูกายแล้วก็ดูผู้ที่จะคอยแอบมาจับมาจับจอง ว, ว่ากายเราว่ากายของพวกเราอันนี้เวลามันโผล่มามันโผล่มาที่ใจ ตัวเจ้ากรรมตัวนี้ตัวเจ้าการตัวนี้ก็คือเจ้าตันหานะเองความอยากมันเคยอยากมันเคยหึงเคยห่วงเคยสนุกสนมมันเคยยึดเคยถือว่าเป็นสมบัติของมันให้กําหนดกายเราจะดูกายเป็นดินเป็นดินเป็นดินเน่ดูเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟพยายามดูให้เห็นเป็นของจริงเพื่อเพื่อเพื่ อ, อทำลายทําลายคําว่าอัตตาคําว่าตัว ต, วตน อ้าวยังไม่หลับยังไม่นอนอะ่ะฮะฮะหรือเพิ่งตื่นมาฮะยังไม่หลับเพราะอะไรตื่นเกมเน่ออ้าวพูดถึงไหนแล้วเนี่ยฮะ เ, เราสอนภาษาธรรมดาก็ได้เน่นี่เน่เน่เน่เน่น่ีมีก็สองสองห้อ้าว อ, อันนี้อันนี้เด็กอีกกินได้ <c oughs> เราเห็นสุภาษิตอยู่ข้างกำแพงไหมที่หลวงตาท่านชอบเทศน์น่ะทุสนะโสทุสนะโสทุสนะโสนี่เป็นคำพูดของสัตว์นรกสี่ตนสัตว์นรกสี่ตนนี้สมัยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องทำหากิน ไม่ต้องทําหากินทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเฟือไม่ต้องทําหากนินวันๆเขามีแต่เที่ยวแสวงหาความสุขทั้งสี่ตนนั้น่ะเวลาเข้ามาเจอกันสมัยเขเป็นเป็นคนมีชีวิตอยู่บอกเอ้ยเราจะหาวิธีหาความสุขได้ยังไงไอคนนึงว่าไปเที่ยวที่นู่นไปเที่ยวที่นี่ไอคนนึงว่าไปกินที่นู่นไปกินที่นี่ไอคนหนึ่งก็ว่าไปเล่นอันนั้นไปเล่นอันนี้อีกคนหนึ่งหัวหัวใบ เฮ้ยพวกเรามีทรัพย์มากพ่อแม่ร่ํารวยเราเอาทรัพย์นี่แหละไปจ้างไปวานลูกเขาก็ช่างเมียใครก็ช่างมาบํารุงบำรเรือ น, <c oughs> นี่เนี้ความคิดของเขาเนี่ยทีเนี้ยไอ้บรรดาไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรอะไรนี้มันเป็นเรื่องของการมาคุณเพื้อ น, น, นธรรมดาแต่ไอ้เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยมันเขาเรียกยอดของกามคุณ เพราะงั้นคนทั้งสี่คนก็เลยตกลงใจเอาอันหลังนี่แหละตลอดระยะที่เขามีชีวิตอยูน่นี่เขาก็ใช้ทรัพย์เหล่านั้นที่เขามีน่ฆ่าตัวเองทําชีวิตตัวเองให้ตกต่ําไปแจ้งไปวานไปอะไรต่วอะไรผู้หญิงมาบํารุงบาเรยตลอดชีวิตของตัวเองตายไปตกนรกโลหะกุมพีทั้งหมดเลยไปด้วยกันเลยนะโลหะกุมพีนี่มันลึกดูดูแต่ความเดือดของหม้อทองแดงอ่นนะ ความเดือดของมันตั้งแต่ปากปากหม้อไปจนถึงก้นหม้อเนี่ยสองหมปีจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อเนี่ยสองหมื 20, ปีทีนี้เขาเขาก็ไม่ตายบรรดาสารนรกน่ยมันมีกรรมเหล่านั้นแหละมันเลี้ยงเอาไว้เผาจนละลายจนหมอดไหมเท่าไหร่มันก็เป็นขึ้นมาอีกอ่ามันเป็นวิธีการทรมานทรมานให้ให้เข็ดให้สาสมนะที่ที่ตัวเองไปประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบเนะ<อ>น่ยพอถูก ไฟถูกน้ามันเดือดจากก้นหม้อมาสอง0 0ื่ปีกว่าจะมาโผล่พอมาโผล่ไอ้คนหนึ่งก็โผล่ว่าจะพูดอยังงั้นยังงั้พูดได้แค่ทุอย่างเดียวไอ้คนที่สองโผล่ขึ้นมาว่าจะพูดอย่างงั้นยังงั้นไอค้คาว่าอ ย, ย่ายงงั้นอย่างงั้นไปดูที่ <c oughs> ที่ลงตานธรรมเทศนะ์เป็นคาถาคนที่สองก็สะคนที่สณนะคนที่4ี่โสทุสะนะโสพูดได้คําเดียวแล้วก็จมลงไปอีกพูดได้คำไอ้คนหนึ่งพูดได้หนึ่งคำแล้วก็จมลงไปอีกคนหนึ่ง อีกสองคนก็พูดได้หนึ่งคำแล้วก็จมลงไปแท้ที่จริงความประสงค์ที่เขาต้องการจะพูดมันมีคําเต็มอยู่ตรงฝาผนังนะ่ะทายเอาไปท่องนะทายเอาไปท่องนี่ประวัติของสัตว์นรกสี่ตนไม่ต้องทำอาหากินอะไรหละถูกนรกมันเผาไหมอยู่ในนรกในโลหกุมพีนั่นแหละไม่รู้กี่กับกี่การกว่าจะโผล่ขึ้นมาได้จิตใจกับทูมีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์ทุกข์กับทุกข์เหมือนไฟเหมือนกอดกองไฟอยู่นั่นแหละก็โลหะกุมพีนํา ทองเหลืองน้ำทองแดงอ่ะดูที่นั่นคืออ น, นิสงค์คือผลของการทำไม่ดีเอากรมมาคุณทั้งหลายนี่ออกหน้าออกต า, แ ล, ก า, ลาแล้วก็กรมท่างหลายหลานก็ไปประพฤติไม่ดีลูกเขาก็ช่างเมียใครก็ตามเอามาทำชีพหายวายพวงไปหมดทำความเดือดร้อนไปหมดสิ่งวัลนี้เป็นโทษมากะเกทุกสารทูวนี่มันปรากฏกับใครปรากฏกับพระเจ้าปเสนสิโกนเดูพูดซะหน่อยเสก่อนเนาะ จบเรื่องนี้ซะก่อนแล้วก็ให้พรพนะระเจ้าปเนาสนธิโกศลเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งท่านเรียบเมืองไปเที่ยวดูเมืองผ่านไปบ้านหนึ่งเห็นผู้หญิงนางหนึ่งเป็นเมียเขาโผลมาทางหน้าต่างงามงามโผลมาปับ๊บโอ้โหเหมือนพระจันทร์ผ่องขึ้นมาอะไรกันเสร็จแล้วกว็ดูไปที่แวบพอเห็นแวบเดียวเลยก็หายเข้าไปติด อ, อกติดใจโอ้ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเธอจงไปดู ผู้หญิงคนบ้านนั้นบ้านน้าถ้ายังโสดอยู่เอามาให้เราถ้ามีสามีเอาสามีมาให้เราจะเอาสามีเขามารับใช้ใกล้ชิดเพื่อที่จะจับผิดฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียนี่ความหมายของท่านเข้าใจอยู่เนาะพูดง่ายงาย่ด้วยเหตุที่มันกระสันในผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพระเจ้าภาษีและที่กุศลกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ นาน า, น า, นาข้าวก็เลยพยายามเอาผู้ชายที่เป็นสามีมารับใช้เพื่อที่จะจับผิดเพื่อจะจะได้ฆ่าจับผิดเขาไม่ได้มีวันหนึ่งโอ้มีงานเด็ดมากเลยเธอจงไปเอาดินสีอรุณอยู่ที่สนโนอดาศานอดาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดินสีอรุณกับดอกบัวเอามาผสมน้ำสลับสงแต่เธอจงเอาไม้ทันเย็นวันนี้เวลาเท่านั้นเท่านั้น นะบอกโอ้ตายแล้วกูไปเอาที่ไหนเนาะดินศรีอรุณเนะี่ยมากับบนบานสารกล่าวใ ห, ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรช่วยดนบันดาลช่วยเธอมันเป็นคนชื่อสัตว์นะแต่มันมีโทษเพราะมันมีมเมียงามนะีเส<อ>ร็จแล้วก็ไปแหละให้เมียห่อเช้าหอ่หอข้าวให้แต่ تى, تى เช้าแห ล, ล้วก็ไปไปแล้วก็บนบานสารกล่าวขอร้องเจ้ากรรม เจ้าที่เจ้าทางมีผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรช่วยลูกด้วยเธออย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยท่นี้สัตว์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายเขาเห็นเขาไปช่วยสารโนดันอยู่ไกลไกลเขาไปช่วยย้นระยะทางให้ไปจนทันไปจนได้สิทธิ์ดินสีอรุณมาจนได้ดอกบัวมาใบาบัวมาแล้วก็มาทันเวลาที่จะสง่งที่จะส่งน้ํา ข, ของพระราชาเนี่ยพระราชาสั่งขนาดนั้นแล้วยังไม่ไว้ใจเออบางทีมันอาจจะได้ด้วยฤทธิ์ด้วยเดช ด, ด้วยอะไรก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจเดี๋ยวมันจะมาทันแล้วเราจะไม่ได้และเราจะทําโทษมันไม่ได้ละปิดประตูก่อนเวลาวันนั้น่ะปิดประตูเมืองก่อนเวลานายคนนี้มากเโอ้ยรู้อว่าปรายฉาแกล้งแล้วแหละก็เลยเอาดินเสียรุ่นเอยอะไระเลยวางไวะนะ้ตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนั้นแหละไม่ไม่เข้ามันเข้าไปในเมืองไม่ได้ละมาทันเวลาแต่เข้าไปไม่ได้นี่เห็นไหมความเร็วความเร็วของจิตของคนบางคนมันเป็นอย่างงั้นะเราดูเถอะอืม ทิ้งอยู่ตรงนี้แหละไปหาพระพุทธเจ้าที่วัดนุ่นไปกราบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัด น, น, นะแสะดงว่าตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าบาัตรอยู่ในแคว้นของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยพอดีพระเจ้าประเสณทธิาทีก็สนก็คืนนั้นแหละทุษะนัโสนี่ปรากฏกลัวหมดทั้งคืนตลอดคืนนะ่ะตอนเช้ามาเขาเรีบกไปเฝ้าพระพุทธเจ้า<ม>โอ้เมื่อคืนนี่ข้าพระองค์นอนไม่หลับอืมนอนไม่หลับได้ยินเสียงอะไรมรรุทุษะนัโส พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ยสัตว์สัตว์สีส่จำพวกสัตว์4 ต, ตนนี่แหละมาปรากฏกับพระองค์ก็เพราะว่าอดีตกรรมของเขาเป็นงานเป็นงานเป็นงานเป็นงน้นตอนนั้นพระเจ้าประสเสนาธิคุณสนกาลังจะทำํำพระดารกรรมคําว่าพระดารกรรมคําคว่าดาระแปลว่าเมียประแปลว่าของคนอื่นพระดารกรรมกําลังทํากรรมที่เรียกว่าพระดารกรรม ทำปณดารักรรมแล้วผลก็คือจะต้องได้ไปตกนรกบอกไม่อยู่อย่างนี้แหละพอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังระลึกได้ระลึกได้เลยกลับใจทีนี้กลับใจจิตใจที่เคยเร้าร้อนก็สงบขึ้นมาเยน็นขึ้นมาเยน็นขึ้นมาเยน็นขึ้นม า, นนมาก็เลยบันดาล ใ, ให้เห็นชายคนนั้นนั่งอยู่ในที่เดียวกันก็เลยขอโทษขออภยัยเสร็จแล้วก็มอบให้เป็นไทยไปทำหากินอยู่ได้ตามปกติเหมือนเดิมนี่คือที่มาของทุสระณะโสเราฟังแล้วได้กติตัวอย่างของเรา นี่ก็คือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราตามเอาตามอำนาจของตัณหาคือความอยากมันไม่มีเมืองพอดอกมันไม่มีเมองพอเอามาให้ทั้งหมดทั้งโลกสองสามโลกนี่มันก็ไม่พ อ, อจบแค่นี้ให้พร <c oughs> ให้พร <c oughs> ยะทาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสักรังเอวเมวิตโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิมิะตุสัเปปูเรนตุสังกปา กันโทปนระโสยทามิโชติระโสยทาสสะพิติโยวิวาจจันโตสัพพโรโควินาสัตุมะ ภาวตวันตราไรโยสุขิเทขาโยุกมภาวะอภิวาตานสีลิสานิจังท่าปัจจายโนจารตารยธรรมาวาตันติอายุวันโอสุขัง ปาลังอายุวะทากโกทนวะทาโกวิรีวะทาโกยะสวะทากโกภลวะทกโก วะทาโกสุขวะทาโกโหตุสาปะทาโทคารวะคาปยาเวราโสกัสตุจุปาทวาเนกาอันตรายาปิวินา ตูชาเตยชาสาชัยเสีทิทนาลาพังสทิภายังพลงสิริอายุจวันนยจะโพคังอุทิจยสวสตวัสจะอายุจะชีวสิทธิ ตูเตวาตูสาภพมังคลังรักขันตูสาปเทวาตัยสาปุทธานุอาเวนสัทสอดทิภวันตุเตปวาตูสาภพมังคลัง ราคขันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวสทัสดีพวันตุเตภวตุสาผังฆังราคขันตุสาวตาสาปสังฆานุ ภาเวนัสธาสุทธิภาวันตตเตมรับทานและท่นนี้